อาจารย์ครับเก่าตั้งพิธีการครับผมดอนพรคุณหมอท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้ครบสามปีครับอาจารย์ครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกครับสิบเก้าพฤษภาสิครั้งแรกพระอาจารย์เมตตามาวันที่ยี่บพฤษภาครับเป็นวันบระดิษฐ์ผมจับได้เลยครับอาจารย์อืมก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแป๊บเดียวสามปีก็ไปใช่ครับอาจารย์ก็ยังเหมือนเดิมครับอาจารย์ ข้างข้างนอกจะเหมือนเดิมแต่ข้างในมันเริ่มปวนนะครับอาจารย์รักษาทัาขันต่อไปนะครับอาจารย์ครับแล้วแต่มันแค่เรารักษาบปล่ า, ราครับผมอาจารย์ครับเมื่อช้าบินทบทัตคนเดียวไหมครับผมสี่ร้อยห้าสิบคนบวกออกทางบายประมาณสองร้อยคนก็หก0้อยห้าสิบคนหกร้ยห้าสิบคน ก็ไม่ไม่ไม่ตกเลยลงเลยนะครับอาจารย์มันทีน่เกษตยจะเป็นปกติแะ้วสี่ร้อยขึ้นไปเพราะวานที่สามร้อยกว่าเพราะวานสามร้อยหสิบวันเสาร์เดี๋ยววันวิสาการน่าจะคงจะมากกว่าวันธรรมาดาแน่แเลยครับอาจารย์ครับอืวันนี้เมื่อตอนรายการก็มีแจกหนังสือธรรมะของหลวงตาด้วยครับอาจารย์ครับขอโอกาสกับผมอันนี้แจกนะครับหนังสือหลวงตาเนี่เป็นคุณค่าธรรมะที่หา ย, ยากเป็นคุณประโยชน์ ถ้าอ่าแล้วเข้าใจจะจะสามารถนํามาไปใช้ดับความทุกข์ได้เนื่องจากว่าวันอาทิตย์มีใกล้วิสาขาบูชาครับอาจารย์ครับก็เลยกราบขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชาครับกราบขอควเมตตาครับอาจารย์ครับวันวิสาขบูชาก็คือวันที่เรานำเนึกถึงการประเสริฐของพระการประสูติคือการเกิดของพระพุทธเจ้า การบรรลุทำตัศลุเป็นพระพุทธเจ้าและวันที่ทรงเสด็จดับคันอริยนิพพานตายจากโลกนี้ไปพอดีตรงกับวันเพ็ญเดือนหกทั้งสามวันเลยอันนี้ก็เหตุที่เราต้องมาล้ำนักถึงมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หายากเป็นอัริยะบุคคลเหนือเหนืออัฉริยบุคคลทั่วไป ทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ขสามารถทางโลกทก็มีพร้อมทางธรรมก็มีพร้อมตอนที่ประสูติใหม่ๆพระราชบิดาก็เรียกโหราจารย์มาทำนายอนาคตว่าเจ้าชายสิทธตัตถะโตขึ้นจะไปจะเป็นอะไรโหราจารย์ส่วนใหญ่ที่มาดูก็จะมีความเห็นว่ามีสองทางด้วยกันคือหนึ่งถ้าครองราชก็จะเป็นมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาของโลกมีหัวระจารย์อยู่รูปหนึ่งที่มีความเห็นเพียงอันเดียวมีทางเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องออกบวชจะต้องตัดสรนลงเป็นพระบุทธเจา้าเป็นพระบระบมศาสดาตามลําดับต่อไปพอเจ้าชายสุทโธทนะพระราชบิดาทราบความก็เลยพยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิทธาอ๋อง ด้วยการห้อมล้อมรัสสิทธาด้วยความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสทางลาบยศสันตะแสร้างประสาสร้ารุดดูให้อยู่มีบริสัทธบริวารคอยห้อมล้อมคอยรับใช้ตอบสนองตัาหาความอยากทางกลาในทุกรูปแบบเพื่อที่จะได้มลเกาดความทุกข์ใจเพราะคนที่ไปบวชในส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความทุกข์ใจ ก็เลยเป็นการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีความทุกข์ใจคนที่เข้าในวังนี่ก็ห้ามห้ามคนแก่ห้ามคนเจ็บห้ามคนตายเข้าไปในวังให้มีแต่คนหนุ่มคนสาวามีแต่ความสดชื่นเแบบิกบานเล่ า, าเรื่องปหาเลมอย่างงี้ยสร้างปาเลมให้ท่านอยู่แต่ถึงแม้ที่เกอยู่ในปหาเลมแต่จิตมันก็ยังมีความ สอนรู้สอนเห็นมันอยากจะรู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไงขอพระลาดบิดาออกไปเที่ยวชมภายนอกก็ไม่ให้ไปถ้าไม่ใ้ออกไปภายนอกวางให้อยู่แต่ไนวางมันที่สุดทนไม่ไหวต่อความอยากรู้อยากเห็นก็เลยเล่นลอดออกไปวันหนึ่งกับบ้านเล็กไปเดินเที่ยวดูสภาพชีวิตนอกบ้าก็เดินไปเจอเห็นคนแก่ก่อนเห็นคนแก่ดันลงค่อมมา ซึ่งเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนีก็เลยถามมาเลยวันนี้คนนี้ก็เป็นใครก็าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มาเลยก็บอกว่าเขาก็เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละเวลาที่เราเกิดมาใหมาย่ๆใช่ไห ม, ไม เ, เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เดินตัวตรงได้แต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะหลังคล่องเรียลแรงมันก็จะไม่ค่อยมีต่อไปพระองคก็ต้องเป็นอย่างนั้นพอสราบมาต่อไปพระมันจะต้องเป็นอย่างไ้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา แล้วก็ทรงเดินต่อไปก็ไปเห็นคนเจ็บนอนอยู่หน้าบ้านนอนอยู่บนเตียงนอนันแค่ร้องโอด ค, ครางก็ถามว่าคนนี้ก็เป็นอะไรทำไมถึงต้องมาร้องออด ค, คราอันนี้ก็บอกว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นเหมือนกันคนเราทุกคนเมา่ก่อนมาแล้วแม่ช้าก็เลยว่าต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่ยวยเจอความทุกข์ทรมานทางร่างกายพระ อ, องค์ต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ คารายังมีก็เกิดความทุกซ้อนขึ้นมาอีกคั้หนึ่งแล้วเดินไปสักพักหนึ่งก็ไปเห็นขบวนแห่ก็ถามว่าเขาแบกคนที่นอนอยู่บนแท่นนะั้นไปทำอะไรคนนี้เขาเป็นคนตายแนละ้วต้องเอาไปกำจัดถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวเน่าเปื่อยมันจะทำให้ส่งกลิ่นเหมืนอเนเราจะต้องทำทาชาปน ก, กิจร่างกายของคนทุกคนก็เหมือนกันนี่ พอง ก, ก็แท้นเช่นเดียวกันสักวันเดี๋ยวพระ อ, อ, อกกงคจะต้องต้องตายเหมือนกันพอเห็นพอรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่นความสุขที่เคยมีจากความสุขที่พระราชบิดาคอยห้อมร้อมแม้นต่เงินหายไปหมดเนี่ยมีแต่ความทุกข์ใจไม่สบายใจเดินกลับวังไประหว่างทางก็ไปเห็นรับบวชเขา้าอเลยถามว่าคนคนนี้ก็ทําอะไรก็าถึงแต่งตัวไม่เหมือนกับคนทั่วไป มาแล้วเขาบอกเขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้ที่จะไปแสวงหาวิธีกำจัดความทุกข์ของใจที่เวลาจ่ายความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาพอพระองค์ได้ทราบข่าวก็กลายความรู้สึกดีใจขึ้นว่าอ๋ อ, อมีทางที่จะทําดับความทุกข์ได้แต่ต้องไปเป็นนักบวชพอเห็นความจริงเห็นเทวทูตสี่ใจของพ่อองค์ก็เลยเปลี่ยนทิศทางไปหลงไหลอยู่กับคามมศ ทำลายอา ก, การเสพล่างยศเสลนเสริญเสพรสูปเสียงกิ่นลดก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วข่าวไม่ช้าก็เร็วต่อไปเวลาร่างกายแก่น่างกายเจ็บและนั่งกายตายก็จะไม่สามารถที่จะเสพความสุขจากรูปเสียงกิ่นลดได้เพราะว่าเลยมีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชแต่ยังหาโอกาสไม่ได้จังหวะที่จะไปมไม่รู้จะไปยังไงดีเพราะรู้ว่าถ้า ขออนุ ญ, ญาตก็คงจะไม่ได้ไปก็อยู่ไปพังพังไปก่อนจนวันหนึ่งพระใหม่สีเลกก็ได้คลอดพระโอรคออกมาพอพอมาเล็กส่งข่าวมาให้ทราบว่าพระใมสีได้คลอดพระแล้วพอมาทรงอุทานคำว่าล า, าหุนราหุนภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็แปลว่าบวกบวกไม่เกิดขึ้นแล้ว ยังไกไม่รู้คิดว่าส่งให้พนามของวรราะอรถว่าเป็นราหุนก็เลยกลับไปกราบทูลพระเมสีว่าพระพระราชบิดาได้ตั้งชื่อพระองค์ให้ชื่อว่าราหุนครับจริงว่าเห็นด้วยเห็นด้วยธรรมเห็นด้วยปัญญาว่าลูกนี้คือบวกมันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะออกบวชได้ถ้าไม่ออกไปในคืนนั้น ก็เลยตัดสินใจต้องไปแล้วถ้านทาจะไปบวชก็องไปคืนนั้นถ้าอยู่ต่อไปก็บวงมันก็จะลาดคอราดใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เลยต้องหนีไปไม่ไม่บอกใครมีบาฮันเล็กไปส่งที่ชายแดนนั่งขี่ม้าไปพอถึงชายแดนก็ให้มันเล็กเอาม้ากลับวังไปพระองค์กเดินทางต่อไปด้วยเท้าเพื่อไปหาแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ ดับความทุกข์ทางใจเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายองก็ไปศึกษากับพระอาจารย์หลายรูปหลายแห่งส่วนใหญ่ก็รู้จักวิธีดับความทุกข์ด้วยการเข้าสมาธิแต่เมื่อาออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจก็ทุกข์ขึ้นมาอีกไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธินะเพราะองค์อยากมีความปัถนาอยากจะดับความทุกข์ ทั้งในขณะที่ในสมาธิและออกมาจากสมาธิก็ใช้ปัญญาของพระองค์พิจารณาไปพิจารณามาก็เห็นว่าความทุกข์ใจของพระองค์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่อเองพอแก่ความทุกข์ก็เกิดความอยากขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาร้อยขึ้นหน่อยทันทีพรองค์ก็เลยส่งพิจารณาต่อไปลวลเราจะทำไงให้ใจไม่ทุกข์ให้ใจหยุดความอยากได้ ก็พิจารณาเห็นการปฏิบัติของศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาว่าเป็นตัวที่จะสามารถมาระงับความอยากได้คือพ่อก็มีสมาธิมีศีลแล้วปัญญาก็เพิ่งเกิดว่าต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่อยู่ให้ภายใต้การควบคุมบังคับของใคร สั่งให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็สร้างความทุกข์ในอริยสัจสี่ขึ้นมาทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วก็ไม่จะเป็นเปลี่ยนความจริงความจริงว่าร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีอยากไม่แก่ก็ต้องทุกข์อยากไม่แก่ก็ต้องแก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องทุกข์ไปกับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้ายอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ใจมันก็หายไปออกก็เลยทรงตัดสรุปพระอริยสัจ ส, สี่ตายรักขึ้นมาเห็นเห็นสัจธรรมความจริงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นแค่ดินน้ำลมไปมาปะมาะสมกันทำให้เกิดอาการสารที่สองมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครไปควบคุมมันครับไปสั่งมันได้มันเป็นมันมีวงจรของมันมีเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายไปถ้าเป็นอยากให้มันไม่แก่เจ็บตายก็อย่าทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับวงจรศาสตรธรรมของร่างกายต่เลยปล่อยให้มันแก่ไปเวลามันจะแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเวลาจะตายก็ปล่อยให้มันตาย พอปล่อยได้ใจก็ไม่ทุกขออ์อะไรต่อไปอ น, นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสินใด้พรอองค์เองสน่หกับสมาธินี้เปศึกษากับผู้อาจารย์ก่อนอมีผู้รู้เรื่องศสง้เรื่องสมาธิอยู่แต่เรื่องปัญญานั้นไม่มีใครรู้พรงก็เลยต้องลองผิดลองถูกดูในที่สุดก็ได้พบกับสัจธรรมอริยสัจสี่ก็เห็นเห็น เห็นทุกแล้วเห็นทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรพอมาวิเคราะห์ดูก็รู้ว่าเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากอยู่ไปนานนานเพราะอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแต่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ภายใต้ํำนาจของใครที่จะไปสั่งให้มันไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บได้ถ้าปาัญญามันก็ทุกไปเล่า ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากมีความอยากล่านี้ได้ก็ไม่ถูกตายก็เจ็บแก่ก็ไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกแต่ก็ต้องตายอยู่ดีเห็นแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพื่อนผู้มาครอบครองร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่ท่านั้นเอง ก็เลยอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานเพราะไม่อยากจะสูญเส่ียเครื่องมือที่จะใช้ในการหาความสุขอยากร่วมกระทำอยากร่างนวเสริมรสนิญมอยากรูปเสียงเกล็ดลดแต่ก็ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ในที่สุดก็ก็ต้องถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางร่างกายอยอมรับว่ามันเ อ, อ่าสั่มันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ ดูแลมันได้เท่าที่เราจะดูแลได้ถ้ามันไม่สบายแล้วรักษาได้ก็รักษาไปถ้าป้องกันภัยที่เกิดจากความตายแล้วก็ป้องกันไปแต่ ถ, ถ้าถึงเวลามันจะทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็มันกำลังท่งตัดสู้อริยสัจสี่ทุกสมุ ท, ทยัยที่รนุนแรงมากก็คือทางสู่การดยดพ้นเครื่องมือที่ใช้ในการดับทุกข์ ว่ได้แก่สีลสมาธิปัญญาหรือมากแบบนี้หลังจากนั้นก็มาประกาศพระธรรมสองเดือนหลังจากที่ตัด ส, ดสินใจมาเผยแผ่ธรรมะตอนต้นก็ไม่อยากจะเผยแผ่เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากต่อคนที่จะสอนให้คนามาปฏิบัติตามเพราะทุกคนก็อยากจะหาความสุขจังรูรับเลือดฉันรสุขไม่มีใครอยากจะมาอยู่แบบนัก บ, บวชก็อยู่ มหลักษาศีลสมาธิแล้วก็มาปฏิบัติกจรปัญญาแต่หลังจากพิจารณาดูก็้าแบ่งคนไม่เป็นเหมือนบัวสีเหล่านคนบางคนก็มีความสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิได้ปัญญาได้เันบัวบัวเหนวหนา้าพวกนี้มีศีลมีสมาธิแล้วพร้อมแสดงทางปัญญา อริยสัจสี่ให้ฟังก็สามารถนำเอาไปใช้ดับความทุกข์ใจได้พวกที่สองก็เป็นพวกที่มีสีแต่ยังไม่มีสมาธิเป็นนักบวชกําลังฝึกสมาธิอยู่พวกนี้ก็ต้องใช้เวลาฝึกสมาธิไปสักระยะหนึ่งก่อนให้มีฌานก่อนพอมีฌานแล้วพอมาศึกษาทางปัญญาทางอริยสัจสี่ก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้พวกที่สามก็เป็นพวกที่ยังยังเป็นคร า, าวาสอยู่ ยัไม่มีกำลังที่จะไปอยู่แบบนักบวชแต่ก็มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องของการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาฝึกสมาธิก็ทนไปตามกำลังเท่าที่จะทำได้ไปก่อนจนกว่าจะมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วค่อยขยับขึ้นไปเป็นนักบวชตามลำดับต่อไปส่วนพวกสุดท้ายนี่เป็นพวกที่ไม่ไม่เชื่อในเรื่องของของการดับความทุกข์ ทเราจะเกิดจากการปฏิบ si ัติธรรมเนี่ยเขาอยากจะบรดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินทองไปซื้อสินค้าต่างๆซื้อการมาสุขบาดับความทุกข์พวกนี้เขาก็จะไม่สนใจกับการที่จะต้องมาทรมารยอยู่แบบอยู่แบบนักบวชมาถือศีลถือศีลแปดเป็นต้นมา้ะเป็นการเสพนุ่งเสกินรัดแล้วเราะอยู่ไม่ได้แบบนี้ก็ต้องอยู่แบบเต้องเสพเพราะเวลาใช้การเสพ การมาสุขนี้เป็นเครื่องดับทุกเวลาเที่ยหนาวเขก็ไปเที่ยวกันไปหาเพื่อนไปมีอะไรกันไปแต่มันก็เป็นคการดันทุกแบบชั่วคราวเดี๋ยวก็มันก็เหนาวอีกเดี๋ยวก็ต้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เงานเท่าไม่พอใช่มันก็จะมีอุปสรรคในการหาความสุขก็ยังต้องเจอความทุกข์อยู่ดีตรงนี้ไงพระพเจ้าก็ทรงเห็นทรงเห็นเห็นว่าเป็นพวกบวที่อยู่กับคนตม ยากต่อการที่จะสอนให้เขามันพ้นจากของทุกได้องเลือกเลือกสอนพวกบัวที่ยังมีโอกาสบัวกลางน้ำบววเป็นง้ำแล้วก็บวแห่น้ำวนันนี้ก็สอนไปอันตอนก็เป็นสอนพวกที่อยู่เหนือน้ําก่อนพวกที่เป็นนักบวชแล้วนะมีศีลมีสมาธิแล้วมีพอแสดงปัญญาปับก็บรรลุ์ทําได้ในขณะที่ฟังเลยเอ็นพระพระ พระอะไระพระปัญจวัคคีย์นักบวชกลุ่มหน้าที่พระเจ้าส่งแสดงธทางพอแสดงธรรมอริยสัจสีมักไปให้เสร็จฟังเสร็จปั๊บหนึ่งเลบพระอ่างนี้พระปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจอริยสัจนุษย์เป็นพระโสดาบาลลันได้ทันทีต่อมาพอแสดงธรรมอีักสองสามครั้งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระอนันต์ได้อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็ว พราท่านมีพื้นผาพื้ น, พ, นพื้นฐานอยู่แล้วคือมีศีลมีสมาธิมีฌานอยู่แล้ววางไว้ปัญญามาใช้ก็หยุดความอยากได้เพราะรู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็ใช้สมาธินี่ที่มีกําลังของฌานนี้มาหยุดความอยากได้ต่อไปพ่อเขาเป็นบวชพวกนักบวชที่ตามทำลับต่างๆบางทีมีห้าร้อยรูปมาฟังธรรม พอแสดงทําเสร็จก็บรรลุเป็นผ้ า, าพร้อมๆกันเลยห้ร้อยลนะูแต่เบื้อต้นพอองส์ทรงเลือกคนผู้ฟังก่อนเอาพวกคนฉลาดก่อนเอาพวกเด็กก่อนชั้นยี่สก่อนเอาพวกเด็กสี่สจุดก่อนอพอเด็กสี่จุดหมดแล้วเข้าสอนเด็กสามจุดพอหมดสามจุดแล้วก็มาสอนเด็กสองจุดแต่เด็กหนึ่งจุดไม่ไปสอนเสียเวลาสอนอยังสอนขึ้นนั่นก็เลย เป็นที่ปรากฏมามีพระสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตามมูลสองพระเจ้าเมื่อได้ทรงแสด ง, สงแล้วสามารถถ่ายทอดจากจากอาจารย์ไปสู่ลูกศิษย์นักศึกษาได้นักศึกษาต่อมาก็เป็นอาจารย์ต่อสืบทอดกันมาเป็นทอดๆพระลังสา ว, วกก็บรรลุแล้วก็สามารถเอาความรู้ที่ได้จากการบรรลุทางไปเผยแพรให้ใหญ่ผู้อ่นต่อไปก็มีการถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน ก็ยุคของหลวงปู่มั่นเที่เราได้ไ ด, ได้ได้ยินได้ฟังกันหลวงปู่มั่นก็ใช้อริยาาสัจสใช้สิีสมา ธ, ธิปัญญาในการบรรลุเป็นพราน mm hmm. อะอรหันต์พอท่านบานรรัุแล้มีพระไปศึกษาไปกับท่านท่านก็สอนก็ปรากฏมีลูกศิษย์ที่ไปศึกษาบเป็นพระอรหันต์กันหลวงปู่แวน่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นหลวงปู่ฟันท่านพ่อวีหลวงตาหมาบุญนี่ก็ไปศึกษาหลวงปู่มั่น ถ้งเรปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าศีลสมาธิปัญญานจนมาถึงรุ่ลูกหลานในปัจจุบันนี้ก็ถ่ายทอดกันไปเป็นทอดๆเ่าไปคุณหมอก็อาจจะไปบวชก็ได้เรียกถึงเวลาคระปรารย์ตอนนี้ก็เป็นขั้นที่สามก่อนเป็นเด็กสองจุดก่อนทำทาตามตามกำลัง รักษาศีลภาวนาไปตามโอกาสแต่ต่อไปก็เมื่อเห็นทุกข์มากขึ้นคอร่างกายแก็เจ็บมากขึ้นเห็นทุกข์มากขึ้นมันก็จะมีอะไรมากระตุน้นตอนนี้ทวงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังเพลิดเพลิ น, น, นยังสนุกสนานครับกับการมีร่างกายที่แข็งแรงทําอะไรก็ทําได้หาความสุขทางผ่านทางร่างกายได้ต่อไปเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมาที่นี้มัน คนจะเริ่มคิดถึงครับธรรมะแล้วนะว่ามันไม่ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้มันก็ต้องไปหาความสุขจากการปฏิบัติทำทําใจให้สงบแต่ก็อย่าบ้าอย่ารอเวลาได้กันไปเนยมันอาจจะไม่อจะตายแบบกระทำหนาญขึ้นมาก็ได้อาจะไม่ยังแก่ไม่ได้เจ็บก็ได้ ครับเพระคุณพระอาจารย์เมตตาครับผมนี่ได้ฟังได้ฟังแบบพุทธประวัติด้วยเลยแล้วได้ธรรมมาไปด้วยครับอาจารย์ครับมีคนถามพอดีเลยครับอาจารย์บอกว่าการที่เราดูแล ร, ร่างกายรักษาสุขภาพโดยการออกกําลังกายกินอาหารเสริมต่างๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอย่างนี้ถือว่าเป็นสักกายญทิฏฐิไหมครับก็แล้วแต่จะถือว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อยู่ที่เราไม่มองว่าร่างกายเป็นตัวเราหรือเปล่า ถ้าเราไปมองว่าร่างกายเป็นตัวเรามันก็เป็นสักบายทิฏฐิถ้าเรามองว่าร่างกายก็เป็นเรียงเป็นเครื่องมือเป็นคนใช้คนรับใช้เราที่เราย่างต้องอาศัยมันอยู่เราก็ยังต้องเลี้ยงดูมันอยู่ให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นก็อยู่ที่มุมมองของเราเรามองร่างกายว่าเป็นตัวเราแล้วไม่ได้เป็นตัวเรามุมมองที่ถูกต้องก็ต้องมองว่าร่างกายเป็นคนรับใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถึงจะไม่เป็นสักกายะทิฏฐิแต่ก็ยังต้องดูแลร่างกาย พระพุทธเจ้าหลังจากตัดสมุนุก็ยังต้องดูแลร่างกายไม่ใช่พอตัดสมุนุกแล้วก็ไม่กินข้าวแล้วไม่ไม่ไม่หลับไม่นอนแล้วปล่อยให้ร่างกายมันเฉาตายไปท่านก็ยังยังดูร่างกายเป็นปกติอยู่ถ้ายรักษาร่างกายได้ก็รักษาไปเพยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมแต่ถ้าไม่ได้มองว่าร่างกายเป็นตัวท่านติดต่อไปท่านมองว่าเป็นเป็นเครื่องมือเป็นคนรับใช้ท่านใจเป็นนายกายเป็นบ่าว มีคนคุณทุมครับบอกว่าในวันวิสาขบูชาถ้าทําสังฆทานพระสี่รูปมีหลวงปู่ท่านหนึ่งบอกว่าได้บุญเยอะส่งถึงคนตายได้ไปเต็มๆจริงหรือไม่ครับคือบุญเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่กับว่าเราถวายสังฆทานมันสอยกับภาพบุคคลในบุคคลนหนึ่งบุญมากบุญน้อยมันอยู่ที่การบริจาคของเราถ้าเราทําบุญน้อยบาทเราก็ได้บุญระดับร้อยบาท ถ้าเราทำบุญ400บาทแล้วก็ได้บุญระดับ400บาทมันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับมันอยู่ที่ผู้ให้ว่าให้มากให้น้อยอาจารย์เมื่อตอนต้นรายการได้บอกว่าผมได้บอกท่านผู้ชมบอกว่าผมลองนิมนต์พระอาจารย์ครั้งแรกนะครับตอนนั้นก็ไม่แน่ใจพระอาจารย์จะเมตตามาไหมปรากฏว่ามีผู้ชมบอกว่าเคยมีคนนิมนต์พระอาจารย์ไปที่สวนแสงธรรมด้วยนะครับนะพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้ไปไม่เดินทางไปใช่ไหมครับ ก็เราก็ไม่ค่อยได้ก็แต่บวชมามันไม่ไม่มันมันมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าไม่อยากจะไปปีนท้หมณที่ไหนไม่อยากจะไปรับขิตท้หมณฑ์ยาให้เวลากับการภาวนามากกว่าพอวีาก็เลยเียนเป็นนิสัยมาจนปัจจุบันนี้เราก็เคยไปบ้างบางครั้งบางคราวเพราะมันขัดไม่ได้ขัดศรัทธาไม่ได้นะอาจจะไปเห็นบางอย่างที่ต้องไปก็ไปด้วยความด้วยความจําเป็นนั่น คุณฟีเอสทีครับมีเรื่องกลับเรียนถามครับจากเหตุการณ์หนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นกรณีอดอาหารแล้วเสียชีวิตแบบนี้เรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมครับอยู่ที่เจตนาว่าตั้งใจตั้งใจอยากให้น้องชายตายด้วยการอดอาหารด้วยถ้าไม่ได้ตั้งใจเป็นแต่อดอาหารเพื่อที่จะเป็นการทํากิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นระพระปฏิบัติบางรูปทัางก็อนอาหารเพื่อเล่นความเพียนอย่างนี้นถ้าถ้าถ้าหนา จ, จะเอามากเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างหัวใจวายตายก็ได้สมมุตนะินนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายนะอาจอาจจะทำแบบเลยเถอไม่รอบคอบไม่ไม่รู้จักขีดความสามารถของร่างกายว่าจะอดได้มากได้น้อยเท่าไหร่อย่างหลวตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยอดอาหารกระท่งท้องท่านเสีย อาหารที่เวลาออกมาจากการอดอาหารพอมาฉันอาหารอาหารไม่ย่อยเลยมันเข้าไปยังไงมันก็ออกมาอย่างนั้นท่านก็สอนว่าคนที่จะออาหารนี่ต้องระวังต้องดูความพอดีว่ามันไปกระทบกระเทือนกับการทํางานของร่างกายหรือไม่ถ้าเหมันนริ่มแสดงการผิดปกติต้องหยุดต้องต้องพักการอดอาหารไม่ชั่วคราวก่อกับมาฉันอาหารเป็นปกติ เกินกว่าอาการผิดปกติเช่นการเจ็บท้องต่างๆนี้มันหายไปในวการถ่ายหรือไม่ถ่ายบางอย่างเนี่ยมันโยบอกว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการอดอาหารมากเกินไปก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูไม่ใช่ออดแบบแบบแบบแบบไม่มีขอบไม่มีเคสโดยเฉพาเอาแต่ผลที่ต้องการถ้ายังไม่ได้ผลไม่จะอดไปอย่างนี้ก็ตายง่นย อันนี้เรียกว่าเป็นฆ่าตัวตายนไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่เจตนาไม่ต้องการจะฆ่าตัวตายต้องการจะใช้การหลอนหาเป็นการปรับท่วงเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตอนเรียกร้องอย่างนี้มันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคุณพลัมบอกว่ากรรมที่ทําให้ป่วยบ่อยมีทางทําให้กรรมทุเราลงไหมครับกรรมที่มันเป็นผลของอดีตเราไปแก้ไม่ได้ เราแก้ได้ก็คือกรรมที่จะที่เราจะทําในปัจจุบันเราก็อย่าไปทํากรรมเพิ่มแล้วต่อไปกรรมเก่าที่เราทํามันก็จะค่อยๆอ่อนยกำลังไปแล้วหมดไปในที่สุดวิบากของมันก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดไปแต่เราย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้เราไปลบกรรมเก่าที่เราทําไม่ได้คุณนทักษพักครับผมมีความประสงค์ที่จะไปนั่งสมาธิคนเดียวในสถานที่ใกล้ๆเมนวัดใกล้บ้าน ขอกุสโลบายในการนั่งสมาธิที่ไม่ให้เกิดความกลัวเบื้องต้นอย่างไรครับก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจต้องมีกรรมอะไกรรมพุทโธว่าเรียงไรอย่างหนึ่งคอยควบคุมไม่ให้ใจไปคิดถึงความกลัวสิ่งที่กลัวเช่นผีเลืออะเป็นต้นถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจได้มันก็จะไม่เกิดความกลัวขึ้นมาถ้าเราว่าถ้าเกิดเธอเริ่เกิดไปคิดถึงผีแล้วเกิดความกลัวก็ต้องเรียบใช้สติหนึ่งหนึ่ง ใจให้กลับมาให้ให้อยู่ความสงบให้หยุดคิดถึงถึงผีให้ได้พอหยุดคิดถึงผีได้ความกลัวก็จะหายไปนั้นผู้ที่จะไปอยู่ที่นั้นต้องมีสติพอดีพอสมควรนั้นเดี๋ยวสติแตกพอไปอยู่ที่นั้นนะเดี๋ยวพอเห็นอะไรเคลื่อนไหวก็คิดว่าเป็นผีได้ยินเสียงอะไรก็คิดว่าผีมาอย่างนี้เดี๋ยวก็จะทนอยู่ต่อไปไม่ได้จะต้องโกหก อาจารย์ครับเก่าเรียนว่าอาจารย์ตอนที่อยู่บนเขาเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวนะครับอาจารย์แต่มีเสียงคนเดินตามจริงๆนะครับอาจารย์จิตเราปูนแต่งเองค ใ, คใครก็จะมันเดินตามผมทำไมตอนเดินลงเขาอครับอาจารย์จิตมันบอกเราเก่งนะอย่างที่บอกว่าผีจริงไม่เราผีเราไม่จริงนะแต่ถ้าเราพูดโทพูดโทไปจะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยการเดินบนเขานี่ก็เป็นอุบายให้ฝึกสติ ท่าน ใ, ใช้จระเข้โถก็มีสติอยู่อาการเดิมถ้ามีสติอยู่มันจะไม่มีอาการระหวัสเสียวหน้าบัวต่ตางๆปรากฏขึ้นมาคุณไก่ถามว่าถ้าเราจะถวาย k คเซและส้มตำปลาพระฉันได้ไหมครับได้ไดแต่ต้องฉันต้องถวยก่อนเพลงนะถ้าหลังเพลง น, นั้นไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับวัดด้วยบางวัดท่านฉันมือเดียว ท่าไม่ฉันเพลงก็นำไปฉันตอนถวายท่านตอนที่ชัานันตอนเช้าวันป่าส่วนใหญ่จะจะฉันมือเดียวตอนเช้าถ้านำมาหารไปถวายตอนเพลงท่านก็จะไม่รับท่านไม่ฉันคุณช็อกโก้ครับช่วงนี้รู้สึกทุกข์ใจกับเรื่องของคนอื่นครับก็ความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นไปตามความอยากเราก็ทุกข์ใจขึ้นมๆ มีคนคุณคุณมุยบอกว่ารายการนี้ทําให้ชีวิตมีแสงสว่างนําทางที่ดีขึ้นนะครับอาจารย์ครับคุณนกบอกว่ามีวิธีใดได้บุญนอกจากสวดมนต์บ้างครับก็บุญมีสาระดับนะทำทานรักษาศีลและประภาวนามีทำบุญทําทานเราก็ได้ได้ความสุขใจในระดับของการทําทานรักษาศีลเราก็ได้ความสุขใจในการที่เรารักษาศีลได้นะครับ ภาวนาทําใจให้ดิ้งลังก็ได้ลังก็ได้ความสุขจากการทําใจให้นิ้งซึ่งแต่ละดับนี้มีความมากน้อยต่างต่าความสงบที่เกิดจากการทําทานนี่มันน้อยกว่าความสงบที่เกิดจากการรักษาศีลความสงบจากการรักษาศีลึมันน้อยกว่าการสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิความสงบจากความสงบจากสมาธิก็น้อยกว่าความสงบที่ได้จากปัญญามันก็เป็นขั้นขั้นไป คุณดำครับสมัยกุทธกาลพระบิณโธละพานทวัดแสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านดูแสดงว่าหากฝึกจนได้อภิญญาทําให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ม <söyle> ีจร <fato> ิงใช่ไหมครับก็มีหน้าบรรลุการบรรลุบ้านเป็นพระหลานนี่ไม่แน่แน่น้องทุกคนจะสามารถบรรลุอภิญญาได้พระองค์ก็มีพระองค์ก็ไม่มีเช่นมหาลิบุตรนี่ไม่มีในเวลาครละสาวกขวาของพรพุทธเจ้า ว่าท่านมีปณิหานในการแสดงธรรมแต่ไม่ใช่เป็นอภิญญาแบบหอ่อเ้อเดินอากาศดำดินเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้แต่พระโมคคัลลานี้ท่านมีอภิญญาท่านมีมิตรต่างๆพระวจารายงคใครเป็นอัคคละสาวกซ้ายแต่ไม่มีไม่มีทุกรูกที่บรรลุเป็นพระหลนจะไม่จะบรรลุอภิญญาได้บางองค์ก็มีพระองค์ก็ไม่มี โยมที่ถวายที่สร้างวัดแล้วอาศัยอยู่ที่วัดเพื่อดูแลพระศาสนาที่วัดอย่างนี้ถือว่ายึดมั่นในที่ไหมครับก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขายึดหรือเปล่าอะเป็นที่ใจเขาบางทีเขายืนขออยู่รับใช้ต่อแล้วเขาก็อยากจะอยู่วัดปฏิบัติธรรมไปด้วยถ้าเขาไม่ไปเข้าก่ายกิจกรรมของวัดไม่ไปชีไ้ไปยุ่งเกี่ยวก็ไม่ถือว่าเป็นการถ้าถือว่าไม่ใช่เป็นสมบัติของตัวแล้า เห็นแต่ว่าไปอาศัยว่าอยู่เพื่อไปรับใช้ศาสนานก็อยู่ได้แต่ถ้าไปอยู่แล้วไปเป็นเจ้าที่ยกรการคอยสั่งพระสั่งพระเจ้าว่าให้ทำอย่างนั้นทำนี้อย่างนี้ก็ถือว่ายึดอย่างยึดติดเป็นสมบัติของตนอยู่คุณอัญชลีครับ ฝาเงินทำบุญให้คนรับจ้างใส่บาตรที่ทำเป็นธุรกิจคนจ่ายเงินคือตัวเราได้บุญแต่คนที่เราต้องการอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะได้รับบุญไหมเพราะคนที่รับใส่บาตรเขาอาจจะไม่ได้อธิษฐานหรือกล่าวชื่อคนที่เราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้มีแต่แปะชื่อและคำอธิษฐานของเราพิมพ์มาแล้วแปะที่หน้าถุงอย่างเดียวครับอ๋อไม่ต้องหรอกไม่ต้องให้เขาแปะสองรูปมาหรอกพอเราได้ออนเงินไปนี่ก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้วเราสามารถอุทิศบุญได้หลังจากที่เราโอนเงินไปให้เขาแล ส่วนเขาจะไปทําบุญต่อ น, นั้นไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับเรานะแต่ในความรู้สึกของเราเราได้ทําบุญแล้วเราได้บอร์จากซอฟต์ก้อนที่ไปแล้วเราได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วเราก็สามารถลงทินบุญได้ทันทีไม่ต้องรอให้เขาถ่ายรูปส่งมาเนี่ยบางทีนัก บ, บินบาเนี่เสียเวลาเพราะก็ขอถ่ายรูปถ่ายอยูนั่นนะโอ้ต้องส่งไปให้คนที่เขาเขาฝากมาให้ทหําบุญเดี๋ยไม่มีหลักฐานให้ก็ดู สอบถามพระอาจารย์ครับถ้าคนทําบุญน้อยตามกําลังก็ได้บุญน้อยหรือครับหรือถ้าเราทําเกินกําลังแล้วจะเราจะเป็นอะไรไม่ครับไม่หรอกคือเราต้องเข้าใจว่าการทําบุญของแต่ละคนนี่จํานวนเงินมันไม่เท่ากันแต่อาจจะได้บุญเท่ากันเพราะเราวัดที่สัสดส่วนของเงินที่เราบริจาคไปกับรายได้ที่เรามีอยู่ เรามีเงินเดือนเราหมื่นหนึ่งสมมติเราทำร้อยละสิบเราก็ทําไปพันหนึ่งใช่ไหมแต่คนหนึงก็มีรายได้เดือนละพันนี้เขาทําไปร้อยละสิบก็ทําแค่ร้อยบาทคนทำร้อยบาทกับคนทํำพันบาทก็ได้บุญเท่ากันเพราะทําบุญร้อยละสิบของของทรัพย์สินที่มีอยู่ของรายได้ที่มีอยู่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ไมต้องไปกังวลการเงินของคนอื่นว่าเขาทํามากทําน้อยกี่ตังค์ให้เราดูที่ตัวเรา ถ้าเราทำร้อละสิบล้วก็ได้บุญร้อยละสิบแต่ถ้าเราทำบุญร้อยละยี่สิบเราก็ได้บุญร้อยละยี่สิบเช่นถ้าเรามีเงินเดือนพันหนึ่งเราทำสองสองร้อยอย่างเงี้ยล้วก็ทำร้อยะยี่สิบเราก็จะได้บุญมากกว่าคนที่มีเงินเดือนหนุนเนี่ยทำแค่ร้อยะสิบทำแค่พันเดียวเงินเข้ามากกว่าแต่เราได้บุญมากกว่าเขาเราจะเข้าใจไหมใ ห, ให้อยู่ที่สัสดส่วนของการเสียสละทรัพย์สินของเราไป เรมีทรัพย์สินทั้งหลายแล้วเราเสียไปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ดูที่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปยังนี้นคนจนคนจริงได้เปรียบ ก, กว่าทำจ่ายเงินน้อยกว่าแต่ได้บุญเท่ากันได้มากกว่าครับคุณลิษาครับอยากกลับถามว่าการที่พยามานขัดขวางการตัดสลูของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่เรา อ, อันนี้เป็นกิลเลสของพระพุทธเจ้าที่มาคอยขวางการ แล้วเขาก็สมมติชื่อขึ้นมาว่าเป็นพยา ม, มานั่นเอง่ก็คือเป็นกิเลตันหาโมหะวิชาที่คอยพยายามที่จะยกทับขึ้นมาขวางกา ร, การตัดสินของพระพุทธเจ้านั่นเองฟังบทสดมนทุกวันได้บุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าฟังแล้วมีสติทำใจให้สงบได้หรือเปล่าถ้าฟังแล้วฟุ้งซ่านไม่มีการรู้สึกสงบเย็นสบายก็ ก, ก็ไม่ได้บุญ มุ่งอยุ่ที่ความสงบใจสุขใจเย็นใจต้องดูที่ตรงนั้นคุณเข็ญจิลาครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยการพยาบาลช่วยคุณพยาบาลด้วยความเต็มใจและตั้งใจได้เห็นการเจ็บการตายของคนไข้ทุกวันจิตใจเกิดสงสารทุกวันเวลามาทำงานเช่นนี้เป็นการทำให้ใจตนเองมัวหมองเป็นอกุศลไหมครับทางานกับคนไข้พอเป็นกุศลกับตนเองด้วยไหมครับ ก็อยู่ที่ใจเราเป็นไงเราต้องดูใจเรารู้สึกเป็นยังไงมัวหมองหรือเปล่าถ้ามัวหมองก็แสดงว่าใจเรายังไม่สามารถรับสัจจรบัความจริงได้คเคยเกลียดยังมียังมีวิภาวะตัณหายังมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมันก็ ก, ก, กรารอาการเศร้าขึ้นมาได้มัวหมอกไม่มาได้อันนี้เกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมกิเลสของเราไม่ให้ให้มันแสนดงตัวได้ เพาอย่างนั้นถ้ามันมีอาการอย่างนี้ก็ถือว่ามันเรายังไม่พร้อมที่จะมาเจอกับความจริงอันนี้เราต้องไปฝึกสัตตินั่งสมาธิทําใจให้สงบ ม, มากกว่านี้ถ้าใจสงบ ม, มากกว่านี้ใจมีอุเบกขามากกว่านี้ต่อไปก็จะรู้สึกเฉยๆได้ครับกับความจริงเหล่า น, นี้คุณคีรีถามว่าชาติหน้ามีจริงไหมครับ ก็ในพุทธศาสนาก็มีการเวียนวหายตายเกิดก็มีจริงคือร่างกายนี้ตายไปแต่ใจนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่เป็นผู้ไปเกิดไม่ใช่ร่างกายใจก็ไปรอรับร่างกายใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ต่อไปคุณแว่นครับทำอย่างไรให้จิตเห็นว่าตัวเราไม่ใช่เราเป็นเพียงธาตุสี่ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จนเบื่อหน่ายคลายกำนัดลงได้ครับ ก็ต้องศึกษาการการการเกิดขึ้นของร่างกายมันเกิดจากอะไรนะมันก็เกิดจากาการผสมธาตุสี่ของพ่อของแม่มารวมกันใช่ไหมมันก็เป็นธาตุนะสเปิร์มกับอะไรกับไข่มันก็ทํามาจากธาตนะุใช่ไนมมันมันมารวมตัวกันแล้วมันก็ขยายตัวเซลในในล่างในร่างนั้นมันก็เริ่ขยายตัวเซลลมันก็เป็นมันก็เป็นธาตุ เป็นธาตที่ผสมด้วยดินน้ำนไฟอย่างนีนะัแล้วมันก็ขยายตัวแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆด้วยการเติมธาตุของแม่แม่ก็เหมืส่งเพิ่มธาตุเข้าไปในร่างของทารกผ่านสายชะเดย์อย่างนี้มันก็เป็นการเอาธาตุมาก่อสร้างร่างกาย้าสี่นี้ก็เหมือนวัสดุก่อสร้างเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราต้องมีวัสดุก่อสร้างใช่ไหมต้องมีอิฐหินปูนซานมีเหล็กมีอะไรต่างๆ แล้วพอสร้างเสร็จก็กลายเป็นรูปร่างบ้านขึ้นมาแล้วก็มองไม่เห็นอิฐหินปูนใจนะ้วเพราะเราตกแต่งทาสีอะไรทั้งอย่างจ้กระทั่งก็ากลายเป็นบ้านที่สวยงามขึ้นมาแต่ความจริงมันก็มาจากอิฐหินดินทินายปูนอะไรต่างๆเหล่านี้ร่างกายของเราก็มาจากธาตุสีธาตุสีที่เข้ามาทางทางทางร่างกายของแม่ก่อนแม่ก็เอาลมเข้าไปหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมดื่มของเหลวดืมน้ำต่างๆก็เป็นธาตุน้ํา ก, กินของแข็งเข้าไปก็กินท้าวก็เป็นท่านดนิดธานไฟก็ได้จากแสงอาทิตย์ความร้อนอย่างนี้มันก็เข้ามารวมตัวกันแล้วมันก็มามาสร้างอาการ32ขึ้นมาพออาการครบ32ร่งางกายอยู่ในคันไม่ได้ก็คลอดออกมาเห็นไหมพอคลอดออกมาเราก็เติมธานของเราเองทีนี้เมื่อก่อนอาศัยแม่เติมให้พอลอกคลอดออกมาปั๊บเราก็ต้องหายใจเองแล้วดื่มน้ําเองครับหิวน้ําก็ร้องขอน้ํา ของน้ำของน้ำนมแมาก็ให้น้ำนมในทั้ง่าตุดิน่าตุน้ำผสมกันไปความนอนเราก็ได้จากความร้อนของขอ ง, ของโยงอาทินเนี่ยมันกามาผสมกันทําให้ร่างกายของเราเติบโตบขึ้นมาก็ด้วยธาตุสีนะไยังกระทั่ถงถึงเวลามันตายไปมันตายไปอะไรเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยร่างกายที่ไม่ไม่ไปเผามไม่ร่างกายมันก็จะธาตุมันก็จะแ ย, ายากออกจากกั ธาลมที่เคยเข้ามันก็ไม่เข้าแล้วแล้วจะออกออกมาทําเป็นเก่นและเหยออกมาธาน้ํามันก็จะไหลออกมาตามตะวันต่างๆที่มานานๆร่างกายก็แห้งกรอบไปกลายเป็นดินไปธาตไฟก็ออกไปตั้งแต่ตามธาตุลมไปเวลาคนตายมาไปจับดูร่างกายของคนตายมันจะเย็นนะเพราะธาตุไฟมันออกไปแนละ้วศึกษาดูการเข้าออกของธาตุเสมันก็ไม่มี เป็วิธีหนึ่งจะดูว่าร่างกายนี้ตัวเราอยู่ตรงไหนถ้าเราว่าร่างกายคือตัวเราเราลองชํานละร่างกายมาดูแยกเป็นเช่นส่วนนะร่างกายเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าเราเป็นผมหรือเปล่าเราเป็นขนหรือเปล่าเราเป็นแวบหรือเปล่าเป็นฟันหรือเปล่าเวลาเราโกนผมทิ้งไปเราตายเราหายไปกับผมหรือเปล่ามันก็ไม่หายแสดงว่าในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราตัวเรามันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ มันเป็นอยู่ในตัวรู้มันก็ออกมาจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองไปคิดสร้างตัวเราขึ้นมาเอาจริงมันแค่เป็นความคิดของตัวรู้คือจิตที่มาครอบครองร่างกายนี้เท่านั้นเราต้องศึกษาแบบนี้มันถึงจะเห็นชัดว่าไม่มีตัวตนในร่างกายของเราเป็นการรวมตัวของธาตุสี่นน้วรลมไปแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องแยกตัวกันออกไปเวลาคนตายนี่ไม่มีไม่มีใครตายหรอกมันเป็นการ เป็นการแยกธาตุธาตุสีที่ใครมารวมต่อกันมันก็ยยกกลับไปสู่ที่ตั้งของมันธาตุดินก็กลับไปอยู่กับดินธาตุน้ําก็กลับไปอยู่กับน้ําธาตุลมก็กลับไปอยู่กับลมธาตุไฟก็กลับไปอยู่กับไฟคุณวันพิสาถามว่าถือศีลห้าสวดมนนั่งสมาธิแต่ชอบดูมวยบาปไหมครับไม่บาปครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่จากการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธินี่ต้องให้เวลากับการฝึกสตินั่งสมาธิให้มากถ้าเวลาไปดูมวยมันก็จะไม่มีเวลามาฝึกสติฝึกสมาธิผลที่จะได้จากการฝึกสมาธิก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ต้องตัดกิจกรรมยอย่างหนึ่งไปให้หมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปดูไปฟังหมอสมบัติอะไรต่างๆเพื่อจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติสมาธิให้เต็มที่ แล้วผมก็จะได้เกิดขึ้นได้มากไ ด, ได้ได้ขึ้นด้วยคุณวิไลครับอยู่บ้านกันสองคนกับพี่สาวถ้าเกิดเราเห็นว่าวิตามินใกล้จะหมดอายุเราเอาของพี่สาวมาทานโดยไม่ได้บอกถือเป็นการผิดศีลห้าไหมครับก็เป็นของเข า, ถาเถอเนะโดยที่เขาแม่อนุญาตก็นะถือว่าเป็นการเอาของลักขโมยเอาของของผู้อื่นที่เขาแม่อนุญาตก่อนยาวของใครมาเราต้องถามเจ้าของก่อนมาเอ า, เามาใช้ได้ไหม ถ้าเข า, าใช้ได้ก็ไม่ผิดถ้าเอาวาไม่ได้เราเอามาก็ผิดยกเว้นว่าถ้าเราถือว่าเป็นของร่วมกันอันนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตทั้งเขาทั้งเราถือว่าของเขาของเรานี้เป็นของของของร่วมกันสามารถหยิบหยิบใช้กันได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตก็อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการขโมยคุณพักครับจะเริ่มต้นการฝึกภาวนาอย่างไรครับ ก็ลองฝึกสติก่อนนสิ่งแรกที่เราต้องมีก็กคือการฝึกสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดให้คอยลดความคิดให้น้อยลงด้วยการใช้สติอุบายของสติก็คือการให้เร า, เราล้มนึกถึงพระพุทธเจ้าใ ห, ให้เราบริกรรมเร า, มาพุทโธพุทโธไปอย่างนี้เป็นการฝึกสติถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะไม่สามารถจะคิดเรื่องนังน้นเรื่องี้ได้เมื่อคิดได้ก็ยากนึกนิดน้อย ถ้าเราอยู่มาพุดโธพุดโธไปเรืเอร่อยๆแล้วตอนเราต้ฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าเราไม่ฝึกสติเลยพอมาเรานั่งสมาธิใจมันจะคิดเราจะนั่งไม่ได้เราจะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเราฝึกสติมาเราค่อยควบคุมความคิดจนความคิดมีน้อยมากพอเรามานั่งเราก็จะไม่รู้สึกอนะึดอัดเราสามารถที่จะนั่งควบคุมใจให้นัง่งไปสงได้นต้นองพยายามฝึกสติให้ม า, มากๆก่อน การฝึกสติก็มีหลายวิธีวิธีที่พูดก็คือเนี่ยใช้พุโทโธก็ได้เราเรียกถพุโทโธเรียกว่าพุทธานสติหรือถ้าเราจะใช้ร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็เรียกว่ากายแกตาสติใหด้ดูการเคลื่อนไหวทุกทเรืาองบนเไม่ว่าร่างกายกําลังจะทําอะไรอยู่เราต้องดูกับการกระทำอนนั้นอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ พอเรามานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนมาดูการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมูกแทนใจเราก็จะอยู่กับลมไม่ไปคิดเรื่องนั้นนี้เดี๋ยวใจก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมาคุณเป๊ะครับถ้านั่งสมาธิแล้วตัวหายไปเหมือนกลายไปเป็นอากาศขยายวงกว้างออกไปจะต้องทํำยังไงต่อครับก็ไม่ต้องไปสนใจให้กลับมาดูลมต่อไปหรือมาบรกิการพุทโธต่อไป จนกระจจะสงบได้งายทุกอย่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือก็ไม่มีการขยายไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นความว่างความเบาของใจใจหยุดคิดปุ่มแต่งแล้ะกอดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปคุณเนตรครับทุกใจเหลือเกินเป็นอมพภาพาครึ่งซี่ร่างกายไม่เหมือนเดิมสวดมนต์ทุกวันแต่จิตใจก็ยังไม่สงบจะต้องทําอย่างไรครับ ความทุกข์ใจมันก็เกิดจากความอยากให้ร่างกายเป็นเหมือนปกติเหมือนเป็นเหมือาแล้วก่อนเคยทำอะไรได้ก็อยากให้มันทำอย่างนกันแต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้จากจากอาการปกติมาเป็นอาการไม่ไม่ปกติก็ได้มันเป็นไปนานตาตาเราไปสั่งมันไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันอยากจะสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรา อ้าเราไม่อยากจะทุกก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ยอมรับว่าร่างกายเป็นพิการต้องอดอยู่กับการพิการไปใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าทาใจไม่ได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้ยอมรับความจริงอันนี้ได้คุณเพิ่มศักครับการบรรลุโสดาบันต้องทำวิปัสสนาญาณด้วยหรือเปล่าอีกข้อพระอาหารหันยังมีอารมณ์คิดหรือเปล่าเช่นกาลังสร้างโบสถ์ จะคิดว่าพรุ่งนี้มารื่นี้จะสร้างไปได้แค่ไหนอย่างนี้มีไหมครับอ๋อความคิดพระพุทเจา้ามันใช้ความคิดแสดงธรรมนีะเวลาจะแสดงธรรมา็ต้งก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็คิดไปแล้วก็พูดไปความคิดเป็นตัวสั่งให้ให้ร่างกายพูดทีอย่างพระอรหันตก็ยังใช้ความคิดอยู่ส่วนพระเสาวนันท์มันก็ต้องใช้วิปสัสสนาและสมาธิด้วยเราต้องทาสมาธิให้เขาได้เข้าชานสีให้ได้ก่อน ให้ได้ปัญหาสมาธิพอได้ฌานสี่แล้ววัหลอกจากสมาธิมาก็ศึกษาธรรมชาติสึกษาความจริงร่างกายว่าไม่มีตัวตนเป็นเด็กน่าลงไฟเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไเวลามันจะแก่ก็ห้ามันไม่ได้นะครับจะเจ็บก็ห้ามันไม่ได้เวลาจะตายก็ห้ามมันไม่ได้พอรู้ว่าห้ามมันไม่ได้ก็หยุดความอยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอหยุดความอยากได้ใจก็ไม่ถุก ความแก่ความเจ็บความตายก็บรรลุเป็นภาะโสดาบันไดคุณเฟิร์นบอกว่ารู้สึกผิดมากตอนคุณแม่ป่วยดูแลไม่ได้ต้องจ้างคนดูแลเพราะต้องทํางานส่งเงินให้อย่างเดียวบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็การก็เป็นการดูแลเราให้คนอนื่นมาดูแลแทนเราเพราะว่าเรามีภารกิจที่เราต้องทําเพราะถ้าเราไม่ทําภารกิจเราก็จะไม่มีรายได้ ว่าเราไม่มีรายได้เราไม่จะไม่มีความสามารถที่จะมาเลดูแม่เราได้อยูน่นี้อย่างนี้ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใดนอกจากว่าถ้าเรามีกันนี้ไม่ต้องไปทํางานแล้วเราอยากจะเอาเวลานี่มาดูแลคนแม่ด้ว ย, วยตัวเองก็กทําได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินพอเราต้องไปทํางานแล้วก็ได้เงินเดือนมาแล้วก็แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาให้ตัวจ้างคนมาดูแลแทนเราอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าบาปไม่ได้ดูแลพ่อแม่แต่อย่างได คุณมนธนาครับขอพระอาจารย์อธิบายสั้นๆข้อที่1ครับความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์วิธีปฏิบัติประโยชน์ข้อควรระวางของสมาธิวิปัสนาและกรรมฐานครับก็คือสตินี่เป็นตัวเป็นเหตุที่ทาให้เกิดสมาธิสมาธิคือความนิ่งจะยุดคิดอย่างเรียกว่าเป็นสมาธิภาษาภาษาทยเรนี้มันเราใช้สับสนกันท้งนเราจะใช้คาว่าสมาธิแทนสติ คือบอกวันนี้ไม่มีสมาธิใ น, นการเรียนหนังสือเลยใ น, นการทํางานเลยความจริงควรจะใช้คําว่าสติไม่มีสติอยู่การทํางานเลยใจลอยไปลอยมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับ ก, การทํางานหรือกรทําเรียนหนังนสือได้แต่เราไปใช้คําว่าสมาธิแทนมันก็เป็นสับสนกันคําว่าสมาธิทำทำไวยถึงใจนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่ทําอะไรเลย ส, สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำพัง อยู่กับความนน่งความสุขที่เกิดจากความนน่งอันนี้นิว่าสมาธิสตินี้เป็นตัวที่คอยกำกับคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดปูงแต่งให้อยู่กับเรื่องใจเรื่องห네นึ่งให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจถ้าอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็จะไม่คิดเรื่องต่างๆไม่ได้พอไม่คิดเรื่องต่างๆต่อไปความคิดมันก็จะหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดมันก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราต้อเข้าใจ สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลอย่างทางโลกเรามาใช้คําว่าสมาธิแทนสติเพราะทางทางโลกเราไม่มีสมาธิกันหรอกใครที่จะเข้าอภิญาสมที่ได้ริงส่วนใหญ่ต้องไปเป็นนักบวชกันถึงจะเข้าสมาธิกันไนดะ้เวลาใช้คําว่าสมาธินี่เหมือถึงสติไม่มีไม่มีสมาธิในการทํางานอะไรไม่มีสมาธิการเรียนหนังสือเลยเอยามาใช้ควาคมยังคมเราใช้คําว่าสติ ส่วนมิปัจฉาก็คือการศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นทรัพย์สินเงินทองราบรุ่สารเสร่อมสูงนี่นถ้าเราศึกษาดูดีๆเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยมมันมีการเจริญได้เสื่อมได้มีราบก็เสื่อมราบได้มียอดก็เสื่อมยอดได้มีสารเสื่อก็มีทนเนินทานมันได้มีสุขจากรูปเสียง่งินก็มีทุกจากรูปเสียงเงินลบได้เพราะมันเป็นของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอน เข้มเสียงนะมองมันก็ได้เสียงสรรเสริญมอนก็ได้ยินเสียงนอุทาแล้วก็ห้ามมันไม่ได้แล้วเราก็ทําใจเท่นั้นว่าถ้าเราจะอยู่กับโลกแล้วต้องรู้ทันโลกแล้วก็ต้องอย่าไปอยากให้มันไม่ไม่เป็นอนิจจังไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนคนคนที่เขาสรรเสริญเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะด่าเราก็ได้มาดูพวกนักกันเมืองเวลาเราอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามมันด่ากันแหลกเลยใช่ไหมเขามาร่วมพักกันแล้วกอดคอกันยิ้มย่าง รักกันอยู่เหมือนกันเป็นเพื่อนสนิทวิสาหิเงินไม่รู้กี่ปีอ่าคือโลกมันเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจเรียกว่าวิปัสสนาไอ้เราไม่มิไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนการทำการมันก็ไม่เป็นมิตรแท้ศัตรูถาวรใช่ไหมนี่ก็คือก่อนอันี้จังเหมือนกันพอเราเห็นด้วยปัญญาคือวิปัสสนาก็คือปัญญาเห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดไง ไม่ไปยึดว่าจะต้องให้เขาชันรัถย์เราอย่างเดียวเราต้องเตรียมพร้อมว่าพรุ่งนี้การ จ, จะด่าเราก็ได้ <c oughs> ถ้าเราพร้อมเราก็จะไม่ทุกข์ทนั้นนี่นคือวิปัสสนาให้เราเขา้าใจความจริงแล้วปล่อยวางอย่าไปยึดไปถืออย่าไปติดให้มันต้องต้องเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งมันเป็นได้ทั้งสองอย่างมีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อม <c oughs> ถ้าเราพร้อมที่จะรับทั้งเจริญทั้งเสื่อมได้เวลามันเสื่อมเราก็จะไม่ทุก นี่คือวิปัสสนามีไว้เพื่อให้ดับความทุกข์ใจคนที่ทุกข์ใจเพราะไม่เห็นความเสือ่อมไม่เห็นความจริงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วเขาถามต่อบอกว่าตัววิปัสสนากับกรรมฐานนี้จําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์สอนไหมครับก็ต้องมีถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติก็ต้องมีแต่ถ้าเราอ่านหนังสือเองได้นะก็หนังสือก็เป็นอาจารย์เราได้หนังสือก็เป็น ก็เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เขาถ่ายทอดไว้เป็นตัวอักษรเผอถ้ า, าไม่สะดวกที่จะไปพบกับตัวตัวบุคคลแล้วก็สายการอ่านหนังสือเป็นอาจารย์ก็ได้แต่ต้องมีต้องมีใครสอนเนี่ยของที่เราไม่รู้จักทําแม้กระทั่งทําำข้าวเองถ้าเราไม่เคยรู้จักทํามาก่อนก็ต้องมีคนสอนจะสอนทางไหนบางคนสมัยนี้ก็มียนทาง u t u b e กันถามแม่ค้าว่าไม่ค้าทําำข้าวได้อย่างไงเขาาไปเปิดดู youtube ก็เดี๋ยวนี้ อยาจะรู้วิธีทําับข้าวชนิดไหนก็มีอยู่ใน YouTube หมด YouTube ก็เป็นอาจารย์ได้ต้องมีอาจารย์เวลาเราทำอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนนี่ก็ต้องมีคนสอนคุณมีทูครับบอกว่าทำบุญมาตลอดแต่ทำไมถึงมีเรื่องทุกข์ใจตลอดบุญไม่ช่วยเลยเหรอครับบุญมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ความทุกข์ใจมันมีหลายสายเหตุด้วยกันธรรมะมันก็ทาให้เราทุกข์ใจได้ เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมื่อกับความทุกข์ใจได้ไม่ใช่ทำมุนอย่างเดียวม่นระดับความทุกข์ใจได้หมดนทํามุนมันก็ทําให้เราสุขใจอิ่มใจในเรื่องของเรื่องเงินทองก็ได้เราอาจจะไม่ค่อยเสียดายเงินทองเท่าไหร่คนที่ทํามุนที่เวลาสมเสียเงินทองยังไม่ค่อยรู้สึกทุกข์เท่าไหร่ไม่เหมือนกับคนที่ตอนนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำมุนทํำทานไม่ยอมให้เงินทองใครพอเงินหายไปทั้งนิดนึ่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างมากเลย เราคนที่ทําบุญนี่จะไม่ค่อยรู้สึกเสียใจทุกข์ใจกับการสูญเสียเงินทองเท่าไหร่แต่ยังมีความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปบางทีเราก็อาจจะไปทําบาปไปเอาขโมยของของนหรือไม่เราก็ไม่สบายใจทุกข์ใจได้แล้วมีความทุกข์ใจเกิดจากความโลภเกิดจาความอยากต่างๆอันนี้เรายังไม่ได้กำจัดด้วยการทําบุญมันต้องมีสามวิธี กำจัดด้วยทายแล้วกกำจัดด้วยศีงแล้วกำจัดด้วยการปฏิบัติภาวนามันจถึงจะกำจัดความทุกข์ได้อย่างหมดสิ้นไปคุณมาริสาครับบอกว่าแต่ก่อนโลกก็ไม่มีสรรพสัตว์และคนแล้วก็เกิดงวนดินแล้วตัวเรามาจากไหนเจ้าค้าพระอาจารย์แล้วเราก็ต้องหาทางกลับไปที่เดิมคือการไม่เกิดอีกขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับคือเราเป็นมนุษย์ยานะเราเป็นท่านรู้ธาตรู้นี่อยู่ในโลกทิพย ส่วนธาตุสีนี่อยู่ในในโลกธาตุนะฮะาตุรุ่นี้มีความสามารถที่จะส่งกระแสมาเกาะติดกับท่านุธาตุสีในโลกธาตุได้เวลาโลกธาตุมีมีการมีการเกิดของมนุษย์ในของสัตว์ในอาชานธารุ่นนี้ก็จะสามารถส่งกระแสของตอนเองมามาเกาะติดเพื่อมาใช้ร่างกายที่อยู่ในโลกธาตุนี้ ให้ทําลายตามความต้กกองกายของตนได้ทีนี้การยึดติดมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่ไปยึดติดมันไม่เที่ยงเวลามีก็มีความสุขเวลามันไม่มีเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็จะทำให้ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าสูงกระแสจิตมาเกาะติดกับธาตุสี่ในโลกธาตุให้อยู่ในโลกทิพย์ตามนพทำ อยู่ในโลกเทพจารลำพังได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปรรัญญาคอยสกัดกั้นความอยากที่อยากจะส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดกับโลกธาตุติดกับธาตุาสี่พระพุทธเจ้ามีสติมีสมาธิมีปรรัญญาก็เลยสกัดกั้นความอยากที่อยากจะมาเชื่อมต่อกับธาตุทั้งสี่ในในโลกธาตุได้ก็เลยไม่นํามาไม่ต้องมาทุกข์กับโลกธาตุไม่ต้องมาทุกข์กับดินน้าลมไฟ คุณตั้มครับบอกว่าถ้านอนและเปิดบทสวดมนต์ฟังบาปไหมครับแต่เมื่อได้ฟังทุกครั้งจะสงบครับคือแล้วแต่ว่าเราฟังเพื่ออะไรการฟังทํานี้โดยทํามเนียมเรามักจะให้ความเคารพ ก, กับธรรที่เราฟังแล้วก็มักจะอยู่ในท่านั่งแต่ถ้าเาจะฟังทรรเพื่อเป็นยานอนหลับก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องคนละเรื่องกันบางคนมาไม่หลับพอ เ, เปิดฟังทําไปแล้วก็ทําให้ใจสงบได้แล้วหลับได้อันนี้ก็เป็นเป็น เป็นการใช้ธรรมะเป็นปัญญานอนหลับก็ทำได้ไม่บาปแต่อย่างใดคุณดีซีครับบอกว่าลูกชายสิบสองขวบอยากได้ขั้นต่ำโสดาบันควรให้ลูกบวชอายุเท่าไหร่ครับเมื่อเขาพร้อมและเขพร้อมเมื่อไหร่ก็ถ้าทางวันรับบวชได้ก็บวชได้อันนี้อยู่ที่ตัวเขาปฏิหารมีจริงไหมครับลูกอายุ ลูกอยู่ไอซูไปบนพระทุกที่แต่สุดท้ายลูกก็เสียอยู่ดีครับคือถ้าปฏิหารหมายถึงว่าทำให้คนป่วยนี่หายด้วย ด, ด้วยการกระทำพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ไม่มีหรอกความเชื่องมงายอย่เงหนึ่งอ่านไปทำพิธีแล้วเกิดเขาหายนี่มันไม่ได้หายจากพิธีครัมันอาจจะถึงเวลาโลกมันจะหายมันก็หายได้ แต่เราก็ไปเชื่อมโยงว่ามันเกิดจากพิธีกรรมของเราก็ได้อันนี้ะที่เราเรียกว่าศีล่าพัตตาป ร, ปรมารนก็ทําลงลายที่ว่าทําสิ่งได้สิ่งหนึ่งแล้วจะทําทมันเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลนคุณอัจฉริยะครับการเจริญฌานต้องอยู่ท่านั่งสมาธิเดินจงกรมทําฌานไม่ได้เลยจะคะหรือครับ เพราะว่าเวลาเดินนี่จิตยังทำงานอยู่ยจิตต้องชินจิตต้องสั่งให้นั่งกายเคลื่อนไหวอยู่เวลาจะเข้าฌานนี่จิตต้องหยุดทำงานหยุดชิดนั้นถ้าถ้านั่งหรือท่ายืนเท่านั้นที่เราจะเข้าฌานได้แต่ถ้าเดินถ้าใีการเคลื่อนไหวนี่จิตยังทำงานอยู่ยังสั่งการอยู่ยคุณชาลีครับบอกว่าเวลาเครียดเราดับแบบไหนให้หายเร็วๆครับ หยุดความอยากของเราถ้าเรารู้ว่าเราเครียดเพราะความอยากเราหยุดความอยากนั้นเครียดเพราะเราอยากจ ะ, อ, ะอยากจะได้แฟนแล้วเขาไม่เขาไม่ชอบเราก็าไม่อยอมเป็นแฟนเราแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้วะมันก็ยะหายที่อะไรคุณปอนบอกว่าถ้าเราถือศีลแปดแล้วบังเอิญมีบกพร่องเช่นไปเหยียบสัตว์ตามพื้นดินตายเราต้องสมาทานศีลแปดในข้อที่บกพร่องใหม่ไหมครับ ไม่ต้องหรอกทำความเข้าใจว่าเรายังรักษา ข, ข้อหนึ่งต่อไปเพียงแต่ว่าเราผิดพลาดไปก็กพยายามเื่นเราเร า, เราทำอะไรต้องมีสติามากขึ้นคุณมีทูถามว่าบุญที่เราทำในชาตินี้จะส่งผลตอนไหนครับตั้งแต่เราตายไปเพอเราเริ่มตายไปนี่มันก็จะสแสดงผลถ้ามันมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงเราไปอยู่ในสวรรค์ แต่ถ้าบาปยังมีกำลังมากกว่าบุญก็ยังสแสดงผลไม่ได้ต้องรอให้บาปมันอ่อนกว่า บ, บุญก่อนกำลังอ่อนกว่า บ, บุญก่อนบุญถึงจะแสดงผลได้คุณเปิ้นครับจิตเห็นจิตเป็นอย่างไรครับจิตก็คือเห็นความคิดปรุงแต่งของตอนง่าไงจิตเห็นจิตเห็นอนุโมทนาที่มีในจิตเห็นความคิดปรุงแต่งเห็นสัญญาสัญคา็เรียกว่าจิตเห็นจิต คำสอนที่ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วทําไมเวลาทํากรรมผลจึงเป็นของเราครับมันคนละเรื่องกันเข้าใจคือเวลาที่เราทํากรรมแล้วเราเป็นผู้รับกรรมนี้ผู้รับไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเป็นผู้กระทําคือใจใจเป็นผู้กระทํำนำมาทําแล้วผลก็เกิดขึ้นที่ใจใจกระทบมิจฉุกเกิดจากการกระทําของใจ ส่วนการที่เราไม่ให้ไปยึดไปถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเพราะมันไม่มีเราเราเป็นสมมุติที่เราที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาแค่นั้นนั่งขึ้นมาเป็นสมมุติอย่างหนึ่งว่าจิตเป็นเราจิตผู้รู้ผู้คิดเป็นเราเราเป็นผู้คิดผู้รู้แล้วเราไปได้ของอะไรมาเราก็ยึด ต, ติดในว่าไป็ของของเราขึ้นมาอันนี้มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากความหลงที่จริงไม่มีไม่มีตัวเรา เป็นจะมีแต่ตัวคิดเท่านั้นเองแล้วไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาทั้นั้นคุณเข็มจีลาครับถ้ามีผู้เข้าใจผิดในตัวเราจนทําให้เราต้องเดือดร้อนเพราะเหตุความเข้าใจผิดนั้นโดยไม่โต้แย้งหรือชี้แจงเช่นนี้ถือว่าเป็นคนโง่ไร้ปัญญาใช่ไหมครับไม่ใช่เราเป็นคนฉลาดคือปล่อยมันเลยตามะไรไปเลยแบบอย่าไปให้มีเมื่อยเวลาให้มันยืดเยอะๆไป ยอมรับพราะว่ามันเป็นเรื่องกรรมของเราเมื่การที่กิดมาอาจจะต้องมารับกรรมเหล่านี้คุณนัลเลอรมอนถามว่าสวดคาถาป้องกันภัยต่างๆมีผลป้องกันได้ไหมครับถ้าได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อปืนไม่ต้องมีฮาที่หลบภัยเลยเวลามีภัยก็สวดมันไปแล้วภัยต่างๆก็จะไม่เข้ามามันเป็นไปไม่ได้หรอกการสวดไม่ว่าจะสวดบทไหนก็ตาม อารส่วนนี้ป้องกันได้ก็คือทําให้ใจเราสงบได้ทั้งนี้ไม่ทุกกับภยัยต่างๆได้เช่นเรากลัวผีเนี่ยเราก็ทําพุโทโธพุโทโธไปจนใจสงบเราก็เลีมเรื่องผีไปผีก็ไม่เข้ามาในใจของเราใจของเราก็ไม่ทุกข์จากจากภัยของผีท่นเองคุณเพียงผิดครับ ในขณะที่ยังเริ่มฝึกจิตอยู่จิตยังไม่แข็งแรงเวลามีความเจ็บปวดจนทนไม่ได้จะใช้จิตในการปล่อยวางความเจ็บปวดไม่ได้ต้องทํำยังไงที่จะทําให้จิตสามารถทนต่ อ, อการเจ็บปวดได้เพราะเวลาปวดมากจิตจะกลัวจนแพนิคครับอย่านั่งเฉยๆให้สวดมนต์ไปแล้วให้บริกรรมพุโทโธไปอย่าสนใจไปถึงอาการเจ็บปวดพยายามลืงใจออกจากการไปรับรู้อาการเจ็บปวดให้มายู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับพุโทโธ บทไหนอะไรก็ได้เราเท่องอะไรได้ท่องมัไปให้ใจมันเพลิดเพลินอยู่การสวดแล้วเดี๋ยวการเจ็บปวดมันก็จะไม่มาลบปวดใจเราแล้วเราก็จะผ่านความเจ็บปวดไปได้คุณบุรีครับนั่งสมาธิไม่ทุกวันได้ผลบุญไหมครับก็เหมือนได้บ้างไม่ได้บางวันไหนนั่งก็ได้วานไหนไม่นั่งก็ไม่ได้แต่ความจริงผู้ตามคามตรงที่นั่งสมาธิยังไม่ได้ผลบุญหรอกท้าจิตไม่สงบ มันต้องสมมองบแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาถึงจะถึงจะได้ผลมูลถ้านั่งเราไม่มีความรู้สึกแตกต่างก่อนนั่งและหลังจากนั่งก็เหมือนเดิมฉันนั่งว่ายังไม่ได้ผลมุลใดๆแต่จะ ไ, ไดก็คือได้ความเพียรพยายามเป็นเหมือนับเป็นการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ดอกผลในวันนี้เลยเราปลูกแล้วเราก็คอยลดน้ำฝนไปเรื่อยๆ อ, อีกสักสี่ห้าปีมันก็เอานอง คนได้การฝึกสมาธิก็เหมายถึงการเป็นการการฝกหัดทําจิตให้สงบถ้ามันยังไม่สงบก็แสดงว่าเราก็จิตยังไม่ออกดอกออกผมเรามีหน้าที่หล่อนลี้ยงต้นไม้นี้ก็ดนึ่งในไปในการทําไปเรื่อยๆในวันในหนึ่งพอมีสติสมบูรณ์สา ม, มารถควบคุมความคิดอยู่ความคิดได้ใจก็สงบขึ้นมาผลก็จะเกิดขึ้นมาในตอนนั้น ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมให้ทำเลยมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยคุณอัชลาครับถ้าลูกไปใส่บาตรพระอาจารย์ที่บ้านอำเภอสามารถจะฝากซองปัจจัยกับลูกศิษย์ของพระอาจารย์เพื่อทำบุญจะได้หรือไม่ครับได้ก็มีลูกศิษย์เดินตามมาปางไว้กับเขา บุญวันศุกร์ครับการทําบุญกับพระที่ปฏิบัติดีจะได้บุญกว่าพระที่ไม่ปฏิบัติจริงหรือไม่มีคนบอกมาติดค้างอยู่ในใจครับคือบุญที่ทํานี้มันมีสองแบบนะบุญชนิดแรกคือบุญที่ได้จากการเสียสละเงินทองไปเนี่ยมันเท่ากันไม่ว่าเราจะทํากับใครก็ตามทํากับพระดีและพระไม่ดีเราก็ได้บุญจากการเสียสละอันนี้เท่ากัน แต่บุญในการนี้คือบุญที่เราจะได้จากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยนี่อาจจไม่เหมือนกันเช่นถ้าเราไปทําบุญกับพระที่มีศี <MER. S 1> ลเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องศีลท่านก็จะสอนเรื่องศีลให้กับเรา <Yeah. S 1> ถ้าไปเรียนไปทําบุญกับพระที่ไม่มีศีลท่านก็จะไม่สอนเรื่องศีลให้กับเราเราก็จะไม่ได้บุญทางนี้ถ้าเราไปทำบุญกับพระที <ingen ver ning> ่มีสมาธิท่านก็จะสอนเรื่องวิธีนั่งสมาธิให้กับเราได้ ถ้าไปทำมินกภาพที่ไม่รู้จักวิธีนักสมาธิท่านก็ไม่สามารถสอนวิธีนั่งสมาธิให้ของเราได้บนญอันนี้มันต่างกันอ ย, อยู่ที่บุคคลว่าเขามีอะไรที่จะให้เราคุณอารยาครับการบริจาคอวัยวะได้บุญไหมครับเช่นดวงตาหัวใจครับถ้าทําตอนที่เรายังไม่ตายได้บุญนะแต่ถ้าตอนตอนที่เราตายเราไม่รู้เราได้ทำหรือเปล่า เราต้องรู้ว่าเราได้ทําอะไรไปแนละ้วจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเพรียกว่าบุญอย่างเราตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าร่างกายของเราใคยจะไปทําอะไรนี่เราไม่รู้แล้วเราก็จะไม่ได้บุญแตอย่างไดคุณนกครับบอกว่าทําอุปกรณ์จับมแมลงสาบในห้องพักแต่มแมลงไม่ตายนะครับแล้วนําไปปล่อยอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปไม่บาปคุณอ่อนครับ ชอบฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเป็นเพราะอะไรครับอาจจะเป็นจันเรศของเราอะไรอาจจะเป็นคนที่มีมความสามารถมีอภญญาในทางนี้ก็ได้มีเพลงบรรเลงที่เขาบอกว่าใช้ทําสมาธิแบบนี้ช่วยให้มีสติได้ไหมครับจิตไปติดอยู่กับเพลงแทนครับไม่ควรนเพราะาไม่ควรใช้สิ่งภายนอกที่นอกใจเพราะถ้าเกิดเวลาไม่มีเพลงเราก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ ถาเกิเรื่องเน้นเสียไฟหนักแบบไม่มีนรากจะนั่งสมาธิไม่ได้งัอย่าไปอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องเครื่องเจริญสติและอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในใจเราเช่นคำหรือเดี๋ไม่อยู่ในร่างกายเราเช่นละ ม, มหายใจเข้าออกหรือการบ ร, ริกรรมพุโทโธพุทโธใช้แบบนี้มีการเราสามารถเอาติดตัวไปได้ทุกแห่งทุกคน ถ้าเราไปอยู่ป่าไปภาวนาแล้วเราต้องคนแคบแน่นไปด้วยมันก็จะ พ, พลุกพลังเดี๋ยวเม่นหมดจะทําไงก็ต้องพิมแบบไปอีกไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรอาศัยสิ่งภายนอกแม้กระทั่งเบอะนั่งก็ไม่ควรอาศัยถ้ า, าอยากจะเป็นนักปฏิบัติแบบแบบง่ายๆง่ายๆไม่ไม่มยุ่งยากไม่มีภาระมากก็ได นั่งที่ไหนก็ได้นั่งบนพื้นตรงไหนก็ได้นั่งนไปถ้าเจ็บบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราจะต้องฝึกกับเจอความเจ็บบ้ากกว่านี้ี่ถ้าเราอยากจะจก้าวหน้าในทางการปฏิบัติคุณอารยาครับบอกว่ารักษาศีลแปดแต่ไม่ได้บวชจะได้ส่งผลบุญไหมครับศีลแปดก็เป็นเช่นกันลัวบวชมันก็เหมือนกันถ้ามีศีลแปดก็ได้บุญจากการรักษาศีลแปด ไม่ค่อยได้สวดมนต์อยู่คอนโดกับลูกๆไม่เป็นส่วนตัวแต่พยายามอยู่กับลมหายใจเจริญสติได้ไหมครับถ้าเวลาเคลื่อนไหวก็อย่าดูลมดีกว่าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนดีกว่าดูการกระทําของร่างกายมันง่ายกว่ามันชัดกว่าอยู่ลมมันยากกว่าแต่ถ้าดูลมได้ก็ไม่ว่าอะไรส่วนใหญ่ยังนิยมดูลมตอนที่เรายั่งสมาธิยั่งหลับตากันเพราะนั้นจะดูลมได้ง่าย แล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูเพราะร่างการไม่ได้เคลื่อนไหวเราก็ต้องดูลหมหายใจเป็นอย่างเดียวแตถ้าถ้าสามารถดูลมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็รกดูได้แต่ปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าเราดูลมแล้วเราทําอะไรแล้วอาจจะทําทํำสิ่งนั้นผิดพลาดได้ยังดูในสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ดีกว่ามันจะได้ไม่ผิดพลาดด้วยเช่นเรากําลังเขียนหนังสือเราไปดูลมแล้วอาจจะเขียนผิดเขียนถูกก็ได้ เนีก็ำบวกลบคูณหารอยู่แล้ก็เราไปไปดูลมหายใจแทนที่จะดูการบวกลบคูณหารอย่างนี้นมันก็อาจจะทำให้ทำผิดพลานได้ใ น, นเวลาทำอะไรให้คนมีสติอยู่งานที่เราทำอยู่ดีกว่าอย่าไปอยู่กับลมหายใจนอกจากว่าถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วเรานั่งเฉยๆหรื อ, อยืนเฉยๆเราค่อยดูลมได้คุณเขมจิราครับ ยังไม่เข้าใจว่าปัญญาทางธรรมที่แท้จริงเป็นอย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ยกตัวอย่างปัญญาทางธรรมครับปัญญาทางธรรมก็คือเห็นเห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมีเกิดม่ดับในการเปลี่ยนแปลงที่เห็นร่างกายว่าไม่เที่ยงร่างกายที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรียกว่าเห็นเห็นนั้นี่จังเห็นหน้าหน้าตาเห็นว่าร่างกายีไม่มีตัวตนร่างกายมีแค่าอากาศสารที่สองใจาาเข้ามาครอบครองเป็นตัวว่าเป็นตัว เป็นตัวใจ น, นั้นเองใจไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้เรียกปัญญาเลยเห็นทุกข์ว่าใจทุกข์เพราะเกิดความอยากเช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะทุกข์เวลาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เรียกว่าปัญป ญ, ญาทางธรรมเห็นทุกข์เห็นเห็นอันนี้จังเห็นทุกข์ข้านักตาครับคือเห็นไตรลักษณ์ก็คือเป็นปัญญาเป็นปัญญา เวลาใส่บาตรพระสงฆ์นอกจากอาหารในของแห้งที่ถวายแล้วเรานาเงินถวายเวลาใส่บาตรด้วยอย่างนี้บาตรไหมครับโ ด, โดยกฎบกตรของพระท่านต้องแยกเงินไว้ท่านรับกับมือไม่ได้ต้องให้กับลูกศิษย์ที่เดินตามมาฝากไว้บอกถวายให้กับพระ ด, ด้วยแล้วก็บอกพระไว้ฝากกันแล้วขอถวายปัจจัยฝากไว้กับกับลูกศิษย์ท่านจะได้รู้ว่ามีคนถวายปัจจัยถ้าไม่บอกท่านบางทีไม่รู้แล้วลูกศิษย์า็จะไม่บอกท่านก็ได้ ต้อสียดัจะเก็บไว้ใช้ไม่ได้ครับคุณปูครับเราสามารถจะนอนสมาธิได้ไหมครับได้บุญเหมือนกันนั่งสมาธิไหมครับถ้านอนมันน่าจะหลับมันจะไม่ได้ความส ม, มองจรงไม่นิยมในท่านอนอยกเว้นว่าถ้าเรามีสติแ ก, ก่กล้าพอแล้วชนนานาญเคยเข้าสมาธิได้นนแล้วถ้าเวลาเราเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นมานั่งไม่ได้เราก็นอนสมาธิไปก็ได้ แต่ถ้ายังเพืพ่อฝึกหัดใหม่ๆยังเข้าสมาธิไม่ได้ถ้านอนสมาธิถ้าทำสมาธิในท่านอนร้อยทั้งน้อยมันจะหลับมันจะไม่เข้าสมาธิเวลานั่งสมาธิเราต้องรู้สึกยังไงหรือครับถือว่านั่งแล้วได้บุญครับเราต้องมีสติ ร, รู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้อยู่กับคำวิริกรรพูดโทรรรร้รู้อยู่ ก, กับการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมู ให้รู้อย่างนี้ไปแล้วเราจะเวลาจิตสงบเราจะเห็นครับความแตกต่างของจิตที่สงบกับไม่สงบว่าเป็นอย่างไรคุณกิ่งครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําการทําให้เกิดปัญญาด้วยครับรบกวนขอตัวอย่างการมีปัญญาแล้วดีอย่างไรครับก็การดูว่าเงินทองของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนใช่ไหมมันมาได้มันก็อาจจะหมดได้ขึ้นได้ลงได้ นั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่ค่อยมีปัญหากเงินทองก็คือเราต้องรู้จักวิธีรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มันหายถ้าเราไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายของเรามันก็จะทําให้เงินทองเราหายได้ถ้าเราไม่อยากให้เงินทองเราหายไปเร็วเราก็ต้องมีมาตรการอาจจะต้องมีการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายของเราว่าเดือนนี้เราจะใช้เท่าไหร่ดีจะต้องแบ่งเก็บไว้เท่าไหร่ อันนี้ก็การการการมีปัญญาที่เห็นน้ำเงินท่านี่เป็นของที่ถ้าเราไม่รู้จักรักษามันมันก็จะหายได้คนบางคนไม่รู้จักวิธีอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะใช้เงินเมื่อไหร่ก็ใช้อย่างนี้มีตลาดเดียวก็หมดได้เราต้องรู้ว่าการการใช้เงินของเราจะทำให้เงินที่เรามีอยู่หมดอันนี้ก็เป็นปัญญาอย่างเป็นปัญญาอย่างก็คือเราต้องรู้ว่าร่างกายของเราเนี้ย ไม่เที่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราต้องยอมรับความจริงอันนี้เทานั้นเองยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นปัญญาคุณพรจุธาครับขอขอบคุณครับคุณดาวครับถ้าน้องเนนไม่อยากศึกพ่อแม่สามารถบังคับให้ศึกได้ไหมครับ ก็มันเรื่องของของของการตบวงกันอนะว่าถ้าเขายังจนเป็นจะต้องศึกนี่เราก็บอกพูดกับเขาดีๆแต่ถ้าเขาไม่อยากจะเซ็ตก็ปล่อยเขาไปก็ได้เพราะการบวชก็ไม่เสียหายตรงไหนการบวชนี่ก็อาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะมีวาสนาทำนี้มาเขาบวชแล้วเขติดใจก็มีความสุยู่กับการบวชก็ไม่ควรที่จะไปบังคับเขา กรุงศราวุธครับทำยังไงจึงจะหายจากโรคกังวลใจไม่สบายใจได้ครับเราต้องยอมรับความไม่แน่นอนวเป็นเรื่องปกติวันพวกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอะไรอยากเกิดก็เกิดขึ้นได้ต้องยอมต้องยอมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ทุกเสมอจากสุขกายบรนทุกได้จากการนี้กลาการกลายเป็นการไม่มีได้ถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้นี่เราก็จะไม่กงังวล เรากังวลเพราะเรากลัวไม่ น, นิ่งไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ทั้งในทิศทางที่ดีก็ได้นในทิศทางที่ไม่ดีก็ได้เราห้ามมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่กังวลจิตดวงเดิมประพัดสอนจริงไหมครับ ก็จิตเดิมบอกาสอนหมายถึงจิตที่รวมเข้าสู่สมาธินั่นเองคุณกอฟครับหากเรารักษาศีลแล้วต้องคบกับเพื่อนบางครั้งเราพูดในถูกต้องแต่มัดขัดแย้งกับสิ่งที่เขาอยากจะทําต้องเปลี่ยนวิธีพูดหรือเปลี่ยนเพื่อนครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราถ้าอยากจะกรักษาเพื่อนไว้ก็จะต้องเปลี่ยนวิธีพูดไม่ให้ไปทําลายน้ําใจครับ เขาเสียใจแต่ต้องต้องต้องต้องไม่ทำผิดศีลผิดธรรมในการพูด เ, เลยนะถ้าเราต้องทำผิดศีลผิดธรเพื่อรักษาเขาก็อย่าไปรักษาเ้าดีกว่ารักษาใจเราดีกว่าโยมเป็นคนถือปัจจัยวัดครับถ้าค่าใช้จ่ายมันมากไปเราสามารถแจ้งพระให้ระวังการใช้จ่ายได้ไหมครับนี้คเราต้องบอกเสีพอมันมากเราก็หมอไม่มีแล้วนของท่านหมดแล้วนะ เอาหมดก็ต้องบอกว่าหมดเราอย่าไปออกให้ท่านนอกจากเราอยากจะทำบุญช่วยท่าก็ออกก็ออกไม่ได้แต่ถ้าเราถ้าเราไม่ ม, ไมีออกให้ท่านเราก็บอกท่านได้อันนี้มันหน้าที่ของเราเราเป็นเหมือนสมุดบัญชีเราก็คอยแจ้งเจ้าของบัญชีว่าตอนนี้เนงะินไหนตอนนี้แล้วนะใช้ยังทำ น, นี้พอหมดพอหมดแล้วก็ต้องบองกเงินหมดแล้วครับ น, นี่บอกได้ันไม่เสียหายตรงไหนเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรา คุณเพชรครับน้ำผักถือเป็นน้ำปานะไหมครับและน้ำปานะมีอะไรได้บ้างครับไม่ผักนี่ไม่ถือว่าเป็นน้ำน้ำปานะปานะนี่ต้องเป็นผลไมา้าที่ขนาดไม่ใหญ่กว่ากล้นเช่นส้มลงมาอย่าเงี้ยส้มแอปเปิลเอ่อเ อ, อ่อบังโหน้ยอ่างหุนอะไทำนองเนี้ยทอามาขั้นได้แล้วเดือดเป็นน้ำน้ำบานะได้แต่ต้องกรอง กาให้หมดเนื้อไม่ให้หมดติดอยู่ในน้ำให้หมันแยกออกจากกันให้เหดินแต่น้ำเปล่าๆน้ำผลไม้เปล่าๆขอธรรมะกับการทําใจในการไม่สมหวังกับความรักครับก็ต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยบางทีก็สมหวังบางทีก็ไม่สมหวังเหมือนทานมอเตอรี่อย่างเงี้ยทำน่าจะหมดทงเลยบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูก ไม่ถูกก็ต้องทําใจว่าไม่ถูกรักใครแล้วเขาไม่รักเราก็ต้องทําใจว่าเขาไม่รักเราก็เปลี่ยนใหม่ไปหาคนใหม่หาคนที่เขารักเราก็รักกันไม่เคยถูกเลยครับอาจารก็อย่าไปททงเลยก็หมืนเดิท่านจะไม่ผิดหวังจะนั้นไม่ต้องทําใจก็อยู่คนเดียวไปไม่ต้องมีแฟนมันก็ไม่ผิดหวังนะท่านอยู่คนเดียวได้สบายสบายไปคุณวรศักดิ์ครับ บอกว่าผีมีมาตั้งแต่พุทธกาลไหมครับก็อย่างที่พูดเนี่ยมันมีผีจริงและผีหลอกนะผีจริงก็คือดวงวิญญาณพวกเราทุกคนจะเป็นผีต่อไปเลยเวลาร่ากนกายเวลาไม่มีร่ากนกายแล้วใจของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าผีอันนี้ผีพวกนี้ไม่หลอกผีพวกนี้เวลาตายไปก็ไปรับผลหมุนผลบาปไปเป็นเทพไปเป็นเปรตไปตกนรกม่ไปเกิดใหม่อันนี้เป็นผีจริงผีพวกนี้ไม่มาหลอกเรา ส่วนผีเราก็คือใจเราปรุงแต่งขึ้นมาที่เวลาเราไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยวๆอยู่คนเดียวนี่เราจะเริ่ปรุงแต่งเรื่องผีขึ้นมาทันทีคิดถึงตามเรื่องผีอันนี้เป็นผปีปลอมไม่ใช่ผีจริงมีลาุกยุคทุกสมัยนะถ้าสองอย่างผีั้าสองอย่างก็มีกันตลอดคุณ <c oughs> โปเตโต้ครับพระอนาคามีจะกลับมาเกิดได้อีกไหมครับ ท่านจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปเพราะท่านละเรื่องกลางได้หมดแล้วท่านไป่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหารความสุขแต่ท่านยังไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นสุตทาวาห้าชั้นเป็นสวรรค์ที่ชั้นใช้ชั้นเสกความสงบจากรูปปัจจานหรืออรูณปัจจานท่านจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปคุณแพทครับหากตั้งสมาธิขณะฟังธรรมควรคิดตามธรรมที่บรรยายไหมครับ ใช่ควรใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ถ้าคิดตามได้ก็คิดตามถ้าคิดตามไม่ได้ก็เกาะยึดติดกับเสียงธรรมไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดไม่ถ้าคิดตามทำได้ก็จะได้ปัญญาถ้าเข้าใจทำที่จะได้ก็ได้ปัญญาถ้าฟังแล้วคิดแล้วไม่เข้าใจแต่ก็ใจเกาะจะอยู่กับเสียงใจก็จะสงบเป็นสมาธิได้ การสอนภาวนาสมาธิที่ทําให้เห็นนรกเห็นสวรค์มีจริงหรือเป็นไปได้ไหมครับคือควาจริงเป้าหมายของการการสั่งสอนธรรมะสั่งสอนวิธีการดับความทุกข์มากกว่าเป้าหมายหลักก็คือสอนสอนอริยสัจสี่สาระทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากจะรับความอยากก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญามาละอันนี้คือเป้าหมายของการสอนภาวนาปฏิบัติธรรม บางทีมันก็มีเครื่องเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือใจผู้ที่ผู้ที่ที่ทุกข์นี่มันก็เป็นใจที่ไปเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แต่มันไม่เป็นประเด็นสําคัญจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ว่าจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรแต่ถ้ารู้ไว้มันก็ดีมันก็จะได้ป้องกันได้ถ้ารู้ว่าใจต้องไปเกิดจะไปสวรรค์ไปนรกก็อยู่ที่การทําบาปนั้นการทําบุญอย่างนี้มันก็รู้ไว้ได้มันก็มีประโยชน์ เป้าหมายที่แท้จริงคือเราต้องการที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆมากกว่าอันนี้เป็นเป้เปาหมายหลักของเราคุณสิริชัยครับทานศีลภาวนาบุญจากการเจริญสติภาวนาเป็นบุญกุศลเพื่อตนเองและยังอุทิศให้ผู้อื่นเป็นบุญอันสูงสุดใช่ไหมครับคือการอุทิศบุญในส่วนใหญ่เราจะนิยมทาทานกันเพราะมันง่ายมันรวดเร็วทําได้ ทำปุ๊บได้ปั๊บเลยส่วนบุญที่ได้จากการเจริญสตินี้อาจจะใช้เป็นเวลาสิบปีก็ได้บกกางคนก็อนเจริญสตินั่งสมาธิทําจิตให้รวมเป็นสมาธิได้เ น, นี่ยไม่ใช่จะแบบได้ปุ๊บปั๊บแบบการทําทานเราจึงไม่นิยมที้บุญให้กับผู้อื่นด้วยการมานั่งสมาธิเพราะยังไม่รู้ว่าจะได้สมาธิเมื่อไหร่คนที่มารอบุญจากเราอาจจะรอไปสิบปีก็จะได้บุญก็ได้ยังไม่นิยมที่จะใช้การ การจารนิสตินั่งสมาธิเป็นเป็นวิธีการอุทิศบุญการนิยมการทำทานเป็นหลักอย่างหลวงี้ท่านก็ยัางท่านยังทำทานอุทิศบุญให้ธรรมาดาวของท่านอันก็ท่านก็มีขณะท่านมีบุญจากการการภาวนาท่านก็ยังไม่ช่ท่านก็ใช้การทำทานอาจจะเป็นวิธีอุบายเชิญชวนให้ญาติพี่น้องจะทานญาติโยมบรรลุธรรมบุญกับท่านแล้วก็จะได้ อุทิศบุญให้กับศรัทธาพี่ญาติโยมผู้ที่ลงนามปัญญาญาติโยมพี่น้องท้อที่ลงนามปัญหาก็ได้ยันได้ยาอยุทิศบุญขอให้อุทิศบุญในการทําทานเพราะว่าการปฏิบัติภาวนาเร่นี้ยังไม่ได้บุญจิตยังไม่รวมจิตยังไม่สมบุกคุณบัวครับบอกว่าสวดมนต์ทุกคืนแต่สมาธินั่งบ้างเป็นบางครั้งแต่ใส่บาต ท, ทุกเช้าอย่างนี้ได้บุญไหมครับ ก็ยังที่บอกวบุญจากการนั่งสมาธิมันยังไม่เกิดมันเป็นการสร้างสร้างเหตุไว้ก่อนเตรียมให้มันเกิดมันก็เป็นการปลูกตน้นไม้ไว้ก่อนปลูกต้นไม้นี่ไม่แรเขาปลูกปั๊บแล้วมันจะออกดอกออกผลทันทีนทมันต้องใช้เวลาให้มันเจริญติบโ ต, ตขึ้นไปก่อนฉะนั้นบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิยังไม่เกิดในบุญที่เกิดจากการใส่บาตรที่เกิดแล้วสามารถอุทิ้งได้เลย คุณสุธารัตน์ครับบอกว่าตอนนี้ลูกไปช่วยดูแลเพื่อนบ้านที่ป่วยผู้ป่วยติดเตียงช่วยทุกอย่างแต่ก็ยังมีคนดินทาว่าทำดีเกินแต่ขัดกับญาติคนป่วยบางคนที่อยากให้คนป่วยตายเร็ว ล, ลูกท้อเพราะไปช่วยด้วยความสงสารคนป่วยก็ไม่ค่อยมีญาติต้องจด ต, ต้องอดที่จะไปดูแลไม่ได้ต้องไปทำหน้าที่เหมือนเดิมลูกควรหยุดหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่ามอนเป็นเรื่องของครอบครัวเขานะ ถ้าอยากไปน้องเขาไม่ต้องการให้เราไปไปยุ่งเราก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งแต่ถ้าเขายินดีเขาอนุโมทนาเราก็ไปทําเจอปัญหาคนในครอบครัวทะเลาะกันควรแก้ปัญหายังไงดีครับก็ปล่อยเขาทะเลาะกันไปนี่ไปแจ้งี้เดี๋ยวมึงทำเขาทะเลาะไปแล้วเดี๋ยวเขาเหนื่อยาก็หยุดทะเลาะกันเองแล้วเขายังไม่เหนื่อยเพราทะเลาะกันไปเรื่อยๆเลยก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใเรื่องของเรา นอกจากวก็มาขอเราให้เราไปไปห้ามปามพี่มาช่วยห้ามหนถ้าเราห้ามได้ก็ไปห้ามห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยคุณคัศสินครับการที่เราขับรถจากกรุงเทพเพื่อไปฟังธรรมและทําบุญที่วัดกับท่านอาจารย์ที่วัดยานค่าใช้จ่ายจากการใช้รถจากค่าน้ํามันนั้นเราได้บุญในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมครับมันก็ได้เพราะเราเป็นการเสียสละเสียสละทรัพย์สินเงินทองของเรา อคุณบางอ่อนครับขนาดสวดมนถึงจิตเริ่มสงบจะมีอาการขนลุกเป็นบางครั้งเกิดจากอะไรครับก็เขาเรียกว่าปิติการเวลาจิตจะสงบนี้มันเอมันก็มีอาการปิติขนลุกขึ้นมาได้เมื่อขนกระปากพึ่งน้ําตาไหลก็มี้คุณเข็มจีลาครับบอกคุณแม่ชอบเก็บ ปฏิทินรูปพระไว้มากมายถ้านําปฏิทินเหล่านี้ไปขายเดี๋ยวทําลายจะบาปไหมครับไม่บาปนะมันก็เป็นแค่ภาพมันเป็นกระดาษนั่งสมาธินา น, า น, านมีเวทนาเจ็บปวดมากปวดขาจนทนไม่ไหวแต่ยังไม่อยากเลิกมีอุบายอย่างไรดีครับก็เมินรำพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงการเจ็บปวดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป ถ้ามันคอนตินอยู่กับพุโทโธได้เนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะเลือมอาการเจ็บปวดไปแล้วก็จะไม่ทํรมากมนก็จะนั่งต่อไปได้คุณสราวุธครับยังไงจะแก้ไขอดีตที่เคยทําผิดพลาดได้ครับที่ถึงที่รายใจก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีครับก็อย่าไปคิดถึงมันสลเวลาคิดก็ให้ใช้คธรรมะกับพุโทโธพุโทโธหย่างนั้นหรือถ้าคิดจะเอา อดีตมันเป็นอาจารย์สอนเราก็ได้มาเราผิดพลาดเราทำนี้ไม่ควรจะทําทำนัำ้นมันทําให้เราถูกต่อไปเราก็อย่าไปทำํำนี้อีกก็อาศัยอดีตมาเป็นอาจารย์สอนเราก็ได้อย่าให้มันอย่าให้มันเกิดประวัติประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเมื่อปฏิบัติถึงอั ป, ปนาสมาธิแล้วควรปฏิบัติต่ออย่างไรดีครับไปตอบไม่ได้ครับ เอาแค่ okay, มันอยู่ในความสงบนานๆยิ่งนานเท่าไรได้ยิ่งดีพอเราลองชาติแบตให้กับใจแบตก็คืออุเบกขาเวลาใจออกมาใจก็จะมีอุเบกขาที่สามารถที่จะต่อต้านความอยากต่างๆได้หยุดความอยากต่างๆได้คุณสติบอกว่าเคยได้ยินคําว่าใจที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งหมายถึงอย่างไรครับก็หมายถึงใจ พระโสด า, สดามันเนี่ยพระโสดามันนั้จะเป็นดวงตาเห็นธรรมพอเห็นธรรมก็จะเห็นพร ะ, ะพุทธเจ้าแล้วผู้ที่เห็นเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์ก็คือภาษาของพระโสดามันนี่ก็เลยมันเป็นหนึ่งรวมมันอยู่ในที่เดียวกันคุณเอกชัยครับขอพระอาจารย์อธิบายขยายความจิตสัต์แต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครับก็จิตเป็นท่านีุย จิตก็เป็นท่านรู้ศัดิาเป็นท่านรู้ในหน้าที่รู้ท่านเองมีความสามารถที่จะรู้จิตไม่ได้เป็นสตารไม่ได้เป็นร่างกายจิตเป็นผู้ที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายด้วยกระแสของวิญญาณของจิตเหมือนกับเวลาที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือสองเคื่องเวลาเราใช้อะไรเป็นเครื่องเชื่อมต่อเราก็ใช้สัญญาณวิทยุใช่ไหม ท่นั้นน่ะจิตก็มีสัญญาณวิทยุสองมาจากจิตมาเชื่อมกับร่างกายนล้วก็มามารับข้อมูลจากร่างกายทางตาหูจมู ก, น, กนิ้วกายแล้วเวลาจะสั่งการก็สั่งผ่านทางสังขารความคิดบูดแต่งสั่งไปให้กับร่างกายว่าให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ป้าสมโอครับกาเป็นถามป้าจารย์การที่เราอุทิศร่างกายให้โรงเรียนแพทย์แล้วเวลาตายบอกลูกว่าไม่ต้องบําเพ็ญกุศลกับงานศพแม่นะ แบบนี้เราให้ลูกทําผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดเราอาจจะผิดประเพณีในการมีกุศลนี่นนคจะทําตั้งแต่เรายัางไม่ตาย เ, าเวลาตายแล้วคนอื่นทำกุศลให้เราได้นิดเดียวซู้ทําตอนที่เราามีชีวิตอยู่เราทำนะครับทาได้ร้อยทั้งร้อยเช่นทําบุญร้อยบาทเราจะได้บุญร้อยบาทเลยแต่ถ้าเราตายไปแล้วลูกเขาทําบุญร้อยบาทเขาจะส่งไปได้เพียงบาทเดียว ได้อยากจะทําบุญทําตองที่เราอยู่ในชีวิตอยู่ดีกว่าคําถามสุดท้ายนะครับพระอาจารย์ครับคุณสลาวุธบอกว่าแม่ป่วยติดเตียงระยะสุดท้ายและเป็นหลายโรคท่านเป็นทุกข์มากเพราะอยากหายเราเป็นลูกจะมีวิธีไหนที่ทําให้ท่านจากไปอย่างสงบได้ครับก็ต้องปล่อยให้ท่านอยู่ตามสภาพของท่านไปอันนี้เป็นเรื่องของความวิธีการปฏิบัติของตนเองกับจิตของตนเองคนหนึ่งทําอะไรไม่ได้ อาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังในเฟซ748คนในยู714คนในครับ6คนในติ๊กต็อก534คนนะครับรวมวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำอยู่ด้วยกัน 2,000 กับ2คนครับอาจารย์ครับอืมวันนี้เกิน 2,000 ัป2คนนะฮะก็ <laughs> ดูกับทุกท่านที่มาโน้ตฟังมาสมทนาธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย เพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปการแสดงธรรมการชนาธรรมะวาดขึ้นนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอิสาธุก็ขอนาะคุณบอแนละท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีรายขาดเข้ า, เาก็คงจะได้พบกันเีกในวันอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอจเจริญพรรับขอบพระคุณพระอาจารย์ค